ซีดีธรรมบัญญายชุดจาริกบุญจารึกธรรมโดยพระพรหมคุณาพรปออประยุทธ์โตวัดยานเวสศ ก, กวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมตอนที่เก้าทางสายกลางเพื่อชีวิตสังคมที่สุขสมบูรณ์บัญญายที่ พระคันทากุดีวัดพระเชตวันเมืองสาวัตถีประเทศอินเดียเมื่อวันอาทิตย์ที่19กุมภาพันธ์พุทธศักราช2538เวลา8นาฬิกา20นาทีราพรอเจริญพรบัตรนี้คณะบุญญาจาริกได้เดินทางมาถึงพระเชตวั น, น, นแล้วก็ได้มา ทำวัดสดมนต์บูชาพระคุณของขพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่พระคันตกุดีซึ่งพระพุทธเจ้าได้ประทับอยู่เป็นเวลารวมถึงสิบเจ้าสีในพระเจตจวัน์นี้แล้วก็ในกรุงในกรุงที่เป็นเมืองหลวงของแฟนโกรธสนคือเมืองสาวัตถีเมืองสาวัตถีนี่ก็ เป็นชื่อในภาษาบาลีเดิมเรียกตามภาษาสันสกิตว่าเมืองสราวัตถีแต่ชื่อสาวัตถีก็ดีสราวัตถีก็ดีก็เป็นชื่อที่เราลือฟื้นขึ้นมาในสมัยปัจจุบันก่อนที่จะมีการลือฟื้นสถานที่สาคัญในทางพุทธศาสนาชื่อนี้ก็เลื่อนลางจางหายไปแล้วคนอิเดียก็ไม่รู้จักเขาเรียกถินนี้ว่า สาเหตุมาเหตุและสถานที่นี้ซึ่งเคยเป็นเมืองใหญ่เป็นราชธานีของแคว้นทินเป็นหามนาในสมัยโบ ร, ราณก็กลับเป็นที่รกร้างเป็นถิ่นกันดานห่างไกลอย่างที่โยมได้เดินทางเมื่อวานนี้แม้แต่ในสมัยปัจจุบันนี้หนทางก็เดินทางมาแสนยากนี่ก็เป็นเรื่องที่ให้เห็นความเป็นอนิจจังของสิ่งทั้งหลายธรรมศาสตวัตถีนี้ก็มีตำนาน ว่าที่ได้ตั้งขึ้นว่ามีชื่อเป็นสาวัถีก็เพราะว่าเดิมเป็นที่อยู่ของฤาษีที่ว่าสวัสถดฐอันนี้ก็เป็นตำนานหนึ่งจะมีตำนานหนึ่งเล่าว่าพวกพ่อค้ากองเกวียนต่างๆที่เราเรียกคารวานจะเดินทางมาค้าขายที่นี่เพราะเป็นเมืองใหญ่แล้วมาเมื่อมาถึงนี่แล้วก็ มีการไถ่าถามว่ามีของอะไรมาขายบ้างกองคารวาลก็จะตอบไปบอกว่ามีทุกอย่างคำว่ามีทุกอย่างนี่ภาษาบาลีว่าสับพังอัตถิสับพังนั้นภาษา ศ, าศรสกิจก็เป็นสระวังอัตถิก็แปลว่ามีสระวังหรือสับพังแปลว่าทุกอย่างมีทุกอย่างสระวังอัตถิสับพังอัตถิ จากคำว่าสับพังอัถิหรือสรวังอัถินี้ก็เลยกลายมาเป็นสาวัตถีอันนี้ก็เป็นตำนานเรื่องราวที่เป็นมาในอดีตเป็นประวัติของชื่อเมือง น, นี้นรงสาวัตถีนี้ตามพระคำภีว่าอยู่ห่างจากเมืองราชครื45โยชน์ถ้าคิดตามตัวเลขปัจจุบันโยชน์แล้วประมาณ16กิโลเมตรก็ได้720กิโลเมตร มีก็ว่าไปตามตัวเลขในคำพี่ทางเดยสมัยก่อนก็คงเป็นทางของกองเกวียนปัจจุบันนี้โยมก็คํานวณเราเองเพราะว่าเราก็เดินทางมาตามลำดับแต่จะเห็นว่าการวัดระยะทางนี้เมืองราชคลึบมักจะเป็นจุดที่เป็นศูนย์กลางในการวัดแสดงว่าเมืองราชคลึบ น, นี่มีความสาคัญมากอนนี้เมืสาวัถีนี้ก็ดังได้กล่าวแล้วว่าเป็น เมืองที่พระพุทธเจ้าเด็กประทับอยู่นานที่สุดในการบาเพ็ญพุทธกิจนี้มาตระทับที่สาวัตถีถึง25พรรษาโดยแบ่งเป็นสองวัดประทับที่วัดนี้คือวัดพระเทตวันนั้น19บาพรรษาแล้วก็ประทับที่วัดบุพารามของนางวิสาขาอีก6ปีอีก6พรรษาแต่ที่จริงนั้นยังมีวัดใหญ่ว่าสาคัญในเมืองสาวัตถีวัดหนึ่ง วัดราชาการาหรือราชิการามแต่ในคำภีร์มักจะเรียการาชาการามราชาการามนั้นเป็นวัดของพระเจ้าปเสนทิโกศลบุคคลสําคัญมากในเมืองสาวัตถีนี้ที่มีความคุ้นเคยสนิทสมนมเป็นผู้อุปถรัรมภ์องค์พระสมบัติของพพุทธเจ้าและคณะสงฆ์ก็มีนี่แหละพระเจ้าปเสนทิโกศลท่านานาถบินิกาเสษฐีและกัณฑาวิสาขามหาบารสุจาร อาจจะเป็นด้วยเหตุที่ในเมืองสาวัตถีนี้มีบุคคลที่มีความคุ้นเคยสนิทสนมใกล้ชิดกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากก็เลยเป็นเหตุให้พระองค์เสด็จประทับที่นี่มาทางที่ว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงประดิษฐานพรตอศาสนาเบื้องต้นที่เมืองวัชเฉลืแต่กลับมาประทับที่นี่มากที่สุดพอเมืองวัดเฉลือนั้นต่อมาก็มีเหตุการณ์มีความเปลี่ยนแปลงพระเจ้าแผ่นดินองค์เดิมที่ เริ่มต้นในการประกาศศาสนามีความสนิทสนมกับพระพุทธเจ้ามากคือพระเจ้าสุติสัจก็ถูกพระราชโธรถคือพระเจ้าชาตสตูทรงพระชนเสืิมและต่อมาเรื่องราวในกรุงรัชทูร์ก็คงจะไม่เป็นที่เรียบร้อยดีเท่าไหร่อันนี้ก็อาจจะเป็นเหตุหนึ่งเมื่อมีเศรษฐีมีมหากษศัตร์ในเมืองสาวัตถีนี้มีศรัทธามาก แล้วก็มีความสนิทสนมคุ้นเคยมากพราะพุทธเจ้าก็เลยเสด็จมาประทับที่นี่มาถ้าเราเทียบกันดูในสาธนกิจอาตมา ก, ก็อยากจะทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าบำเพ็ญพุทธกิจอยู่ทั้งหมด45พันษาเรามามองดูว่าประทับอยู่ที่สาวัตถีนี่ถึง25แลย25ก็เหลือที่อื่นถึยง20จท่นั้นเองและ20นี่เอารัชคลือออกซะอีกห้า คืราชครืนี่ประทับประมาณหพรรษาแต่ตัวเลขนี้อาจจะมีการขัดแย้งกันบ้างนแต่ว่าตัวเลขในครรมปีที่ยอมรับทั่วไปก็ห้าพรรษาคืออาตมาเคยบอกแล้วว่าพระพุทธเจ้าประทับที่เมืองราชครื่ในปรรษาที่สองที่สามที่สี่ที่ส7บเจดแล้วก็ที่ย0เนี่ยก็หพรรษาแล้วมาประทับที่สาวัตถีนี้รพรรษาแรกรพรรษาที่บสี่ ก่อนนั้นก็เสด็จมาแต่ว่าไม่ได้จำพรรษามาพรรษาแรกจำพรรษาก็14แล้วก็ข้ามไป21ไปถึง44เลยยิเส็ดถึง4ีิติดต่อกันตลอดเลยที่นี่ก็เข้าไปเถลายแล้วหลยนอนสาว ธ, ธีร์กราชะคฤห์สองเมืองเข้าไป30มพรรษาแล้ว30มพรรษาก็เลือีสิบาพรรษาแรกก็อีสิบกัจจนามฤิคทายวันหนึ่ง <c oughs> เริ่มประกาศประกาสนรราพรรษาสุดท้าย ก่อนจะปริณิพานก็ที่เวฬุวะคาเมืองเฟสาลีก็รวมเป็นอีกสองแหละแล้วก็ไปที่จารียบันพจน์นั้นนนจะนับนานที่สุดรองไปจากสองเมืองนี้อีกสพันษาก็เป็นอีกห้าก็เข้าไปเท่าไหร่แล้วเลยสามาพันศาแล้วก็เหลืออีกเพียงสิบพันศานอกจากนั้นแล้วพระองค์ประทับเฉลี่ยไปแห่งละหนึ่งพันษาหลายแห่งก็ไม่ต้องมารลำดับ ก็จะถามจังยากอันนี้ก็เป็นการทําให้มองเห็นภาพการเป็นพุทธกิจของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าประทับที่เมืองนี้มากที่สุดพราะฉะนั้นธรรมเทศนาของขพระองค์ก็เกิดขึ้นที่นี่มากมายอย่างมงคลสูตรที่หลวงพ่อฤาษีท่านกล่าวถึงพระพุทธเจ้าก็ตรัสที่นี่เป็นพระสูตรที่เรารู้จักมากที่สุดพระสูตรหนึ่ง แล้วสวดกันเรื่อยเลยเนี่ยเวลามีงานมงคลเราก็ต้องสวดมงค ล, ลสูตรดเราเกิดขึ้นทีนี่เรประสูติอย่างที่ตรัสแสดงถึงหลักธรรมที่ว่าตัวธรรมะหลักความจรงิงเป็นธรรมนิยามเป็นกฎแห่งธรรมชาติดำรงอยู่ตามธรรมดาของมันไม่ว่าสถาคตจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตามธรรมะก็เป็นอย่างนั้นแต่พระองคมาค้นพบ แล้วก็นำมาเปิดเผยแสดงชี้แจงทำให้เข้าใจได้ง่ายพ้าสูตรนี้เราเรียกกันว่าธรรมนิยามสูรหรือในพระไรปิฎกเขาเรียกว่าอุปาทศูตรพระาูตรนี้ก็ตรัดที่นี่เหมือนกันแล้วก็ถึงแม้สูตรอื่นๆก็ยังมีมากมายไม่ในเมืองนี้เองก็ในแคว้นนี้อย่างพราสูตรที่คนรู้จักกันมากชื่อากาลามสูรกาลามาสูรนี่ก็ตรัดในแคว้นโกศล น, นี่แหละนเกสปุตตนิคม เยอะแยะไปหมดพระสูตรที่พระพุทธเจ้าสัตย์ก็อย่างที่อาตมากล่าวแล้วว่าพระพุทธเจ้าได้ปรฏิสถานพุทธศาสนาในแควนมะคตเมืองราชคฤห์เป็นเมืองใหญ่พระพุทธเจ้าคงจะตรงมองเห็นการกลงความสําคัญของเมืองราชคฤห์เห็นว่าเหตุการณ์สาคัญในการประดิสถานพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงเริ่มต้นก็ไปประดิสถานที่เมืองราชคฤห์แควนมะคต การสังคายนาก็ไปทําที่เมืองราชคชื้อคลืนแพนมคดแล้วพระเจ้าอาโศกมหาราชส่งสาวชนทูตไปประกาศพระศาสนาก็จะออกจากแคพนมคด ต, ตอนนั้นย้ายจะกลกะปปายปคลื่นไปฟาดลนั่นเรื่องความสําคัญเหตุการณ์ใหญ่ๆ ใ, ในพุทธศาสนานี่ที่เรียกว่าเป็นจุดตั้งต้นทางสําคัญสําคัญเนี้ยไปจะเมืองหลวงของแคพนมคดแต่สาวัตถีกลับเป็นดินแดนที่พระพุทธเจ้าประทับมากที่สุด อันนี้ก็คงจะทรงมองเห็นเรื่องของการทรงแสดงธรรมเพื่อให้มีคำสอนที่จะไปใช้ไปปฏิบัติไปสอ น, เ, นเอาที่นี่เป็นแหล่งในการที่จะได้สั่งสอนแต่ว่าจุดที่เป็นต้นกำหนดสำคัญสำคัญที่จะทํางานในการสัจจฉานจุดสำคัญในการทํางานของคณะสงฆ์นี่ไปใช้ในราชคฤหไในสุสก์กลางนั้นเมืองสองเมือง น, นี้ก็มีความสำคัญอย่างยิ่ง เราก็ควรจะได้เห็นภาพอ น, นุไว้เนี่ยอาตมาได้กล่าบอกว่าที่พระพุทธเจ้าประทับที่นีมากก็มีบุคคลที่ทรงมีความใกล้ชิดคุ้นเคยมากอย่างนางวิสาขานิยมก็ได้รู้จักมากได้ยินชื่อเป็นประจำเลยมหาวสิกาเรื่องของนางวิสาขามามากในพระวินยัยมีเรื่องมาในพระวินัยเยอะเลยหมดเลยนางวิสาขานี่เป็นต้นเหตุ ข, ของการบัญญัติอะไรต่าง การที่ทำให้พระสงฆ์ได้มีพวกอาหารฉันในชื่อต่างๆแม้แต่ผ้าอาบน้ำฝนนี่นางวิสาขาผู้เริ่มต้นเท่านั้นเลยนนางวิสาขานี่มีบทบาทสำคัญแม้แต่ในเวลาเกิดเหตุการณ์เช่นมีเรื่องอธิกรณ์เกิดขึ้นอย่างที่เคยเล่าให้โยมฟังนางพิสุณีผู้เป็นมารดาของพระกุมารากัจสปะได้ตั้งคันมา ปรากฏขันขึ้นมาก็เกิดเรื่อง <c oughs> ที่พระพุธพนธนาว่าเธอทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะเธอบวชเข้ามาแล้วทำไมประพฤติผิดล่วงละเมิดพระวินัยอะไรต่างๆก็เกิดเรื่องเกิดราวเอาไปหาพระเทวทัตพระเทวทัตจะตัดสินให้สึก <c oughs> เพราะว่าบวชเดิมนั้นมารดาพระกุมารและกษัตริย์ในบวชในสำนักพระเทาวทันอันนี้ก็ ไปให้พระเทวทัตวินิจฉัยพระเทวทัตกลัวจะขายหน้าหมู่คณะต้น เ, ตนเองก็บอกให้สึกไปซะพระภิกษุณีมารดาคขาพระ ก, กุมารละกษัสริยก็มาคิดน้อยใจแม้เหล่านี้ตั้งใจบวชในศรัทธาอย่างยิ่งอุตส่าห์สละทรัพย์สมบัติมาเป็นรูปผู้ดีมีเงินทองมากมายสละชีวิตมาบวชในพระาศาสนาแล้วทำไมจะแล้วเราก็ไม่ได้ทำความผิดจะมายอมงม่ายๆห เรา้องบอกคิดขึ้นมาว่าเราบวชอุทิศพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราไม่ได้บวชอุทิศพระเทวทัตพอคิดได้อย่างนี้ก็เลยทําให้ไปพูดปรึกษานางภิกษุณีช่วยนําเรื่องมาหาพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าตั้งๆที่รู้ว่าพระนางภิกษุณีนี้บริสุทธิ์แต่ก็ต้องทําการให้เป็นตามขั้นตอนเราวิ้นหนยก็ตั้งอย่างที่เราเรียกว่าสมัยนี้ว่าตั้งคณะกรรมการขึ้นมามีฝ่ายพระมีพระอุบาลี เป็นประธานและนางฝ่ายอุบาสิกาก็มีนางวิสาขาด้วยมีอํานาจธรรมบิดาเศรษฐีมีพระเจ้าประเสธิฐนาธิโกศลด้วยเพราะว่านางพิกษุณีรูปนี้เป็นคนบุคคลสําคัญที่ดาเศรษฐีใหญ่ให้พระเจ้าบดินประเสริฐนาธิโกศลก็เป็นกรรมการแต่นางวิสาขาก็เป็นกรรมการคนสําคัญนางวิสาขาก็ทําหน้าที่ได้ตรวจสอบเนี่ยตรวจร่างกายนางพิกษุณี แล้วก็ได้สอบถามเพราะมีความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการตั้งคันในที่สุดก็ไปชี้แจงกันที่ประชุมนอประมูลเรื่องราวก็วินิจฉัยได้ว่าพิกษุณีมารดาของพระกุมารกัตสิยนั้นตั้งคันมาตั้งแต่ก่อนบวชแล้วมีคันติดมาก็เลยเป็นหนว่าพ้นจากอธิกรณ์พ้นคดีไปเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วก็อยู่มาก็คลอดได้เป็น กุมารแล้วก็พระเจ้าประเสริฐนัินโกรธสนนี่ขอไปเลี้ยงเพราะว่าเสด็จเข้ามาในวัดได้ยินเสียงเด็กร้องนี่ยก็เอไม่สมควรจะอยู่ในวัดแล้วก็จะอยู่ลําบากการเลี้ยงดูเป็นพึ่งศรีก็เลี้ยงลําบากก็เลยขอไปเลี้ยงในวังเนื่องเพราะเหตุที่ว่าไปอยู่ในวังก็เป็นกุมารคนะวามว่ากุมาร น, นี่ก็เหมือนกับราชกุมารเติบโตขึ้นในวังเรือรวมชื่อเรียกว่าพระกุมารลกักตณะ ก็ได้เป็นภาษาพกองค์สาคัญของพระพุทธเจ้าได้เป็นเอตทะคะในทางแสดงธรรมวิจิตและพระมานดาต่อมาก็ได้อาศัยพระกุมารลกักสปะนี้ก็ได้บรรลุอรัตผลเหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องราวส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นที่พระเจตวันในเมืองสาวัตถีนี้ต่อตมาก็เล่านอกเรื่องไปเรื่องในพระเจตวันเรื่องเมืองสาวัตถีนี้มากมายเหลือเกินนี่เป็นเพียงตัวอย่าง แต่ว่าพระพุทธเจ้าทรงใกล้ชิดมากกับคนในเมืองสาวัตถีนี้นอกจากนายวิสาขาก็มีอนาธบินกเกษตรีซึ่งอุปถัมภ์บํารุงพระสงค์เป็นอย่างยิ่งแล้วก็เป็นผู้ที่นอกจากอุปถัมภ์พระสงค์แล้วก็อุปถัมภ์คนยากคนจนคนอนาถาทั้งหมดจงกระทั่งได้ชื่อว่านาธบินิกะคือชื่อตัวจริงก็ชื่อว่าสุทัตตะแต่ว่าเพราะเหตุที่ว่าเป็นคนที่เลี้ยงดูคนยากคนจนเลยด้วย ก็เลยเขาเรียกสมยาว่าอนาธบินิกะอนาธบินิกะแปลว่าผู้มีก้อนข้าวเพื่อคนอนาถาหมายความว่าคนอนาถาไม่มีเงินทองไม่มีอาหารกินก็ได้พึ่งอนาธบินิกะเสรธธ็จทีแล้วก็แม้องค์พระมหากษัตริย์เองพระเจ้าปเปรษณธิโกศนี่ก็เป็นพระมหากษัตริย์ที่มีความเคารพนับถือในพระพุทธเจ้าอย่างยดยิ่งเ ก็คงจะเทียบคล้ายๆกับพระเจ้าพิมพิสารแต่ของพระเจ้าพิมพิสารแพนมาคตนั้นท่านอายุสั้นกว่าท่านถูกลงพระชนเสโดยพระราชโอรสเองในี่พระเจ้าประเสรนาทีโกศลนี่มีความเคารพในพระพุทธเจ้ามาแล้วก็มีอายุเท่ากับพระพุทธเจ้าด้วยนะก็เรียเกิดปีเดียวกันเป็นสาชาติในพระเจ้าประเสริาทีโกศลนี่ได้เคยแสดงความเคารพในพระพุทธเจ้าเคยมาเข้ามาครั้งหนึ่ง มาถึงก็เข้ามากอดจูบพระบาทแสดงความเคารพอย่างยิ่งพระ ธ, ธเจ้าก็ตรัสถามบอกมหาปพิธทําไมมีอะไรหรือจึงมาแสดงความรักความเคารพอัตมาถึงอย่างนี้พระเจ้าประเสริฐที่โกศก็ได้กลาบทูลว่าเนี่ยพระองค์เนี่ยได้ทําให้ชนมหาชนเนีตั้งอยู่ในกุศลอยู่ในความดีหมายความว่าพระพุท ธ, ธเจ้าเนี่ยสมบรณเป็นประโยชน์ แก่ประชาชนแก่ประเทศของพระองค์อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็นอกจากนั้นก็มีความเคารพในส่วนบุคคลคือตัวพระองค์เองก็มีความเคารพรักมีความใกล้ชิดด้วยแล้วก็ได้จัดเหตุต่างๆคือข้อที่พระเจ้าปเสนที่โกศลมีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าหลายอย่างหลายประการคำตรัดของพระเจ้าปเสนที่โกศลที่แสดงความเคารพพระพุทธเจ้าและเหตุผลต่างๆ ที่มีความรลื่วมสายศรัทธาในพระพุทธเจ้าเนี่ยได้เป็นพระสูตรหนึ่งเลยนั้นเลยเรียกว่าธรรมะเจตยสูตรธรรมะเจดีพระพุทธเจ้าเมื่อพระเจ้าประสเสนาธิโกศลได้ตรัสจบไปแล้วพระพุทธเจ้าก็บอกพระสงฆ์บอกให้ทรงจําไว้ให้เรียกข้อความที่พระเจ้าประเสนาธิโกศลทูลพระองค์นี้ว่าธรรมะเจดีนี่ก็เท่ากับว่าพระสูตรหนึ่งนี่เป็นคำตจัดของพระเจ้าโกศลนะพระสูตรนี่ ไม่ใช่หมายความจะต้องเป็นพระพุทธเจ้าจัดทั้งหมดนี่เห็นตัวอย่างวันนี้เป็นเหมือนกับว่าเป็นคํำจัดของพระเจ้าบผ่นดินองค์หนึ่งก็เป็นพระสูตรได้เหมือนกันธรรมเจติยสูตรนี่ก็เป็นสูตรที่น่าศึกษาเหมือนกันแสดงให้เห็นถึงสภาพของการพระศาสนาพระสงฆ์อะไรต่างๆซึ่งก็มีการเปรียบเทียบกับลทัทธิศาสนาอื่นไปด้วยในตัวว่าทําไมจึงทําให้พระเจ้าพระเศสนที่โกศลทรงมีควาเริ่มสายศรัทธา นอกจากนั้นแล้วบางครั้งพระพุทธเจ้ายังได้ทรงอนุเคราะห์พระเจ้าประเสนาธิกรสนเป็นการส่วนพระองค์ wont. คือพระเจ้าประเสนาธิกรสนจะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเป็นประจําเลยเดี๋ยวก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้าเรียวกว่าเฝ้าทุกวันค่้างมีความรักมากอยากจะคุยด้วยพูดง่ายๆถ้าพูดอย่างภาษาชาวบ้านอยากจะคุยกับพระพุทธเจ้าทุกวันเพราะฉะนั้นก็มาเฝ้าเรืเ่อยๆทีนี้พระเจ้าประเนรสนาธิกรสนนี่ทรงเสวยจุ สวยมากก็เลยทรงน้ำหนักมากน้ำหนักมากก็เลยอุ้ยอายเนี่ยเวลาจะประทับนั่งและอะไรก็ไม่ค่อยสะดวกจะลุกจะอะไรทีนึงก็ไม่ค่อยจะคล่องแคล่วเนี่ยนีเวลามาฟ้าพระพุทธเจ้าครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าก็เลยจัดเนี่ยจัดคาถาหนึ่งขึ้นมานทำนองว่าใ ค, ใครก็พูดถึงเรื่องนี้อัตมาก็มได้ม่ได้ทบทวนนานและคาถานี้ลืมไปแล้วเนี่ย คือข้อความทำนองว่าถ้าหากว่าส่วนน้อยๆ อ, อะไรพอดีพอดีเนี่ยจะทำให้ร่างกายกระปีก้กระเป๋าอะไรทันองนั้นนี่พระเจ้าเปรตนาทีโ ก, นกสนก็ทรงได้สตินะก็เลยตกลงให้หลานของพระองค์พระราชนัดดาซึ่งตามเสด็จมาเฝ้าด้วยเนี่ยเรียนคาถาของพระพุทธเจ้านี้ไว้ แล้วเวลาพระพระเจ้าประเสนทิโกศลจะเสวยครั้งไรพระราชนัดดานี่ก็จะรีบชิงนะ่ะว่าคาถานี่ขึ้นมาก่อนเลยพอพระนัดดาว่าคาถาเนี้ขึ้นมาพระเจ้าประเสนทิโกศลก็สะดุดเนะ่ยพอสะดุดก็เลยทําให้เสวยพอประมาณนะ่ะไม่เสวยมากเกินไปก็ได้ผลต่อมาก็ปรากฏว่าพระเจ้าปเสนทิโกศล น, นี่ ทรงมีพระวรากายกับปรีก้กระเป่าขึ้นคล่องแคล่วขึ้นมากราพระพุทธเจ้าและครั้งหนึ่งก็ยังได้กราบทูลพระพุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยพระองค์พระสมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยอนุเคราะห์หม่อมฉันไม่เฉพาะแต่สัมป ร, รา ย, ยิ ก, กัตถะเท่านั้นแต่ยังสงเคราะห์ด้วยทิฏฐธรรมิ ก, กัตถะด้ว ย, ยหมายความว่าอยังไงคือพระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมให้ข้อปฏิบัติ ในการปฏิบัติขัดเกลาพัฒนาจิตใจอะไรต่างๆเป็นสัพพารัยิกัดถะประโยชน์ลึกซึ้งประโยชน์เบื้องสูงประโยชน์เบื้องหน้าแต่ไม่เพียงเท่านั้นพระองค์ยังสงเคราะห์ด้วยทิฏฐธรรมิกัดถะคือประโยชน์ปัจจุบันด้วยได้แก่เรื่องของสุขภาพร่างกายเรื่องของความเป็นอยู่ในปัจจุบันเรื่องของการมีทรัพย์สินเงินทองอะไรต่างๆการปฏิบัติต่อทรัพย์เป็นต้นนี้เรียกว่าประโยชน์ปัจจุบันในที่นี้ก็คือเรื่องสุขภาพ อันนี้ก็เป็นเรื่องแสดงให้เห็นตัวอย่างของความสนิทสนมของพระเจ้าพระเศสนที่โกศลต่อพระสมมาสิพพุทธเจ้านี่แหละในเมืองสาวัตถีเนี่ยมีบุคคลสําคัญที่มีความใกล้ชิดเคารพรักพระพุทธเจ้ามากแม้แค่สามท่านนี้ก็น่าจะเป็นเหตุเพียงพอแล้วที่ทําให้พระพุทธเจ้าทรงพอพระทัยที่จะประทับอยู่ที่นี่ น, นานๆนี่ก็อาตมาก็เล่าให้ฟังเพื่อเราจะได้มองเห็นสภาพแวดล้อมของ ที่ินที่นี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับองค์พระสัมมาสัพพุทธเจ้าแล้วก็ขอเล่าเลยไป น, นิดหนึ่งอย่างที่อตมากล่าวแล้วว่าเมืองสาวัตถีนี้ก็เป็นเมืองหลวงของแคว้นโกรศนได้พูดให้โยมฟังจะต้นแล้วว่าในสมัยพุทธกาลในบรรดาแคว้น16แคว้นแคว้นที่ยิ่งใหญ่มีอานาจมากก็มีแค่5แคว้นหรือหรัฐหประเทศคือหนึ่งมคต สก็โกดสนเนี่ยสาวัตถีเป็นเมืองหลวงของโกศสนราชคลีคเป็นเมืองหลวงของแควนมคดหนึ่งมคดสองโกศสนนี่แล้วก็สามก็วัดชีวัดชีที่โดนพระเจ้าอาชาติศัตรูยกทัพไปกำจัดเลยวัดชีที่กษัตริย์ดิชฉวีแล้วก็ต่อไปก็นู่นทางแคว้นวังสะเมืองโกสัมทีแล้วก็ ที่อวันตีแควนอวันตีเมืองกุเชนีเป็นเมืองหลวงนั่นพวกกามมณิตซอสิทธิเน่ยแต่อยู่ไกลไปไปทางตะวันตกนั้นแล้วก็เลยไม่ค่อยมีเรื่องเกี่ยวข้องมากเพราะเป็นเมืองไกลพระเจ้าก็เคยเสด็จไปแต่ว่าไม่มากไม่บ่อยเท่าทางนี้ตกลงงมาจํากัดให้เหลือแคบเท่าก็สาคือเราเอาอาวันตีที่เมืองกุเชนีเป็นเมืองหลวงแล้วก็วังสะที่โกัลพีเป็นเมืองหลวงออกไปซะเพราะอยู่ทางตะวันตกไกลออกไป เราก็เหลือสามแควนก็คือแควนมคตแควนโกศสนแล้วก็แควนวัดชีนี่ก็ตมาก็เคยเล่าเปนแล้วว่าแควนวัดชีนี้ต่อมาก็หมดอำนาจไปเพราะแตกสามัดขีกันเนี่ยพวัสดการผ่านไปยุคแย่นี่ฝ่ายโกศสนนี่ก็เป็นแควนที่ยิ่งใหญ่เป็นมหาอำนาจและตอนถึงพุทธกาลนี้ก็ได้ผนวกเอาแควนกาสีเข้ามาด้วย กาศีก็เป็นส่วนหนึ่งของโกศลพระเจ้าประเสรินัที่โกศลที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินที่สาวัตถีนี้บางครั้งก็เรียกว่าเป็นมหาราชาหรือราชาแห่งกาสีและโกศลเลยเรียกพนวกเลยแต่ถึงแม้เรียกโกศลอย่างเดียวก็รวมกาศีด้วยเลยกาสีก็มีเมืองละพารณาณสีเป็นเมืองหลวงแต่หมดอำนาจไปอันนี้กาสีนี่เมื่อปกเป็นส่วนหนึ่งของโกศลไปแล้วพระเจ้าโกศลก็จัดการได้ตามชอบใจ สำหรับพระเจ้าประเส้นนติโกศลก็มีความสัมพันธ์อันดีกับพระเจ้าพิมพิสารเพราะเป็นพี่เขยของกันและกั น, นคือน้องสาวพระราชาการนิธาภคินีของพระเจ้าโกศลประเส้นนติโกศลเนี่ยก็ไปเป็นมาเหสีของพระเจ้าพิมพิสารแล้วก็พระราชาการนิธาภคินี น้องสาวของพระเจ้าพิมพิสารก็มาเป็นมเหสีของพระเจ้าประเสนาธิโกศลแขวนทั้งสองนี้ซึ่งแข่งอานาจกันมาก็เลยหยุดแข่งอานาจเพราะว่าเป็นญาติกันมีความใกล้ชิดกันมากอันนี้ก็อาจจะเป็นโยงใยอันหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารมีความสัมพันธ์เลื่อมใสพระพุทธเจ้าการที่พระเจ้าประเสนาธิโกศลจะเลื่อมใสก็ง่ายเพราะมีความใกล้ชิดเป็นญาติกันอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ อาจจะเป็นประโยชน์ให้โยมได้เห็นภาพบางอย่างในตอนที่พระเจ้าประเสริฐที่โกศลได้ให้น้องสาวไปแต่งงานพระเจ้าพิมพิสารนี่พระเจ้าโกศลก็ได้มอบหมู่บ้านในแคว้นกาสีหมู่บ้านหนึ่งให้เป็นของขวัญในการแต่งงานนั้นให้ไปแขกแฟนมาคดให้เกิดพระเจ้าพิมพิสารไปนี่ต่อมา Ten, พระเจ้าชาตศัตรูซึ่งเป็นก็เท่ากับเป็นหลานของพระเจ้าประเสริฐนิติโกศล์ก็ได้ปรงพชนพระราชบิดาพอปรงพชนพระราชบิดาแล้วพระเจ้าประเสริฐนิติโกศลในฐานะที่เป็นลุงเนี่ยมีความโกรธเคืองมากแล้วพระนางโกศลเทวีซึ่งเป็นพระมเหสีพระเจ้าประเสริฐนิติโกศนนัตมาบอกแล้วว่าเป็นน้องสาวของพระเจ้าพิมพิสาร พอพระเจ้าชาติศัตรูปรองพชนพระพระชาชบิดาพระนางโกศลเทวีเนี่ยซึ่งเป็นมเหสีของพระเจ้าประสเนธีโกศลก็เสียพระไทยมากเป็นเหตุให้สิ้นพระชนสวรรคตรคือประชวรมากในที่สุดก็จากไปพระเจ้าประสเนธีโกศลก็โกรธพระเจ้าชาตศัตรูอย่างยิ่งยกทัพไปรบ ก, กันแล้วก็ยึดอ้อยตอนแรกยังไม่ยกทัพไปรบ ก, กันยึดเอา หมู่บ้านกาสีที่ให้เป็นของขวัญ น, นั้นคืนนะถือว่าไม่มีสิทธิ์เพราะว่าผู้ฆ่าพ่อไม่มีสิทธิ์ได้ทรัพย์สมบัติของพ่อแล้วต่อมาก็ลบกันลบกันผัดกันแพ้ผัดกันชนะครางสุดท้ายนี้พระเจ้าประสณทีิโกศลชนะจับเป็นพระเจ้าชาจิศัตรูได้พอจับเป็นได้ก็ไม่ฆ่าอีกเห็นว่าเป็นหลานแต่ว่าก็ได้ให้ยอมสละราชสมบัติ แล้วต่อมาพระเจ้าปเสนนิธิโกศลคงจะสงสารยังไงกันไหมทราบกลับให้กลับเป็นครองราชสมบัติที่และยังแถมพระราชทานพระราชธิดาให้ไปด้วยอีกกลับเป็นสัมพันธ์ท่าไมตรีกันอีกมคนตกโกศลก็เป็นไมตรีกันมาจนกระทั่งสิ้นราชการแต่ตอนปลายราชการนั้นพระเจ้าวิทูตพระซึ่งเป็นโอรสของพระเจ้าประเสนนิธิโกศลยึดอํานาจยึดอํานาจพระเจ้าประเสนนทธิโกศล พระเจ้าปเทศนาที่โกศส น, นั้นหนีไปส่งมา้าหนีไปอายุแปดสิบเลยตอนนั้นส่งมา้าหนีไปโน่นจะไปขอกำลังอาชาศศิตรูเพราะเป็นพันธมิตรกันแล้วนี่เป็นหลานจะไปขอกำลังหลานอาชาศศิตรูมาช่วยก็ทรงม้าตลอดเวลากลางคืนเนหน็ดเหนื่อยมากมีพุทติดตามเป็นคนเดียวเราไปถึงไม่ทันประตูเมืองปิดไปถึงตอนค่ำ ที่เมืองราชครูนั้นพอค่ำเขาปิดประตูเมืองแล้วไม่ว่าใครท่านนั้นไม่ยอมให้เขา้าก็เลยประทับอยู่นอกเมืองแล้วหนาวด้วยแล้วก็เนหน็ดเหนื่อยด้วยเลยสวรรคตสวรคนที่นอกประตูเมืองพอตอนเช้าตอนกลางวันข่าวไปถึงพระเจ้าช า, ชาติสูร์ก็ทราบก็เลยมาจัดการเรื่องปรุงพระศพเรื่องราวก็เป็นมาอย่างเนี้ยเลย่อถอนแล้วต่อมาทางพระเจ้าช า, ชาติสูร์นี่ได้ไปกําจัดแพร่วัดชีสําเร็จ ต่อมาก็อีกไม่นานก็ได้ผนวกแพร่งโกศลเข้าไปอยู่ใต้อำนาจมคตตกลงวัดชีโกศลหมดอย่างไรเข้าไปอยู่ในแพร่งมคตหมดมคตก็รุ่งเรืองต่อมาเป็นแพว้นเดียวที่ยิ่งใหญ่มหาอำนาจแล้วก็แผ่อำนาจต่อไปต่อไปอย่างตอนสมัยพระเจ้าโศกมหาราชอาโศกมหาราชโน่นไปเป็นอุปราชอยู่กรุงกุตเชนีน่นกรุงอุตเชนีที่ว่าเป็นเมืองหลวงของแคว้นอวันตี น, น, นั่นโศกมหาราชไปเป็นอุปราชอิที่โนวล พอพระราชบิดาพินทุษารสวรรคตอาโศกมหาราชราชกุมารตอนนั้นก็เลยเข้ามาจัดการนเนเข็นฆ่า พ, พี่น้องขึ้นครองราชแต่ผู้เดียวในเทัตมาได้เคยเล่าไปะแล้วละระนคตก็เลยยิ่งใหญ่ขยายอิทธิพลดินแดนไปกว้างขวางที่สุดในดินในประวัติศาสตร์ของอินเดียอันนี้เป็นเรื่องราวเก่าๆอัตมาเอามาเล่าไว้โยมจะได้ทราบความเป็นไปนะ แต่ว่ารวมความก็คือว่าพระเจ้าแดินที่เชื่อประเสนที่โกศล น, นี้มีความสัมพันธ์กับพระพุทธเจ้ามากจึงมีพระสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดงแก่พระเจ้าประเสนที่โกศล น, นี้เยอะเลยในพระไตรปิฎกนี้ท่านรวมไม่เป็นหมวดกันเลยเรียกว่าโกศลสังยุตในโกศลสังยุตนี้ในพระไตรปิฎกอยู่ที่เล่มที่15ตอนนั้นทั้งตอนเลยเป็นพระสูตรที่ตรัสแก่พระเจ้าประเสนธิ่โกศลพ บุคคลหนึ่งที่เราไม่ควรจะลืมก็คือพระเจ้าประสเนธิโกเสถีที่มีความสําคัญในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาธรรมาก็เล่าให้ยงฟังเพราะคิดว่าคงจะได้ภาพทั่ ว, วไปของแวนแห น, แนดินแดนที่เรามานั่งกันอยู่นี้นี่แหละก็คือศูนย์กลางพุทธศาสนาแห่งหนึ่งที่สําคัญอย่างยิ่งพระเจดวันที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ทั้งหมด19บก้พันศาแล้วรวมกับที่บุพพารามของนาวิสาขาด้วยอีก6ก็เป็น25่ิในสาวัตถี ราชาการรามของพระเจ้าปเสณที่โกศล น, นั้นพระพุทธเจ้าก็ได้แต่เคยเสด็จไปประทับจะไม่ได้จําภาษาที น, นี้ก็พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมได้จัดสั่งสอนประชาชนมากมายรวบรวมเป็นพระธรรมที่ได้จัดเป็นหมวดหมู่เราเรียนกันมาว่าแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์จัดเป็นเล่มพระไตรปิฎกฉบับอักษรไทย45เล่ม หลังจากที่ได้ทรงสอนธรรมะเป็นเวลายาวนานถึง45บรรษาแล้วในที่สุดเมื่อจะเส ด, เด็จ ด, ดับขันธปรินิพพานก็ได้ตรัสวาจาสุดท้ายเรียกว่าปัชิมวาจาเพียงสั้นๆว่าวยะธรรมาสังขาราอัปปมาเทนะสัมปาเทธะแปลว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม อันนี้ก็เป็นพุทธพจน์ที่อาตมาได้เคยบอกโยไมไปแล้วว่ามีความสำคัญมากถ้ามีโอกาสเราควรจะได้มาสนทนาปราศัยกันวันนี้เราก็ได้เดินทางมาจนกระทั่งครบพุทธสถานจำเรชนิสถานทั้งสี่แห่งและยังผนวกเอาที่สำคัญที่พระพุทธเจ้าเคยประทับอย่างที่สาวัตถีนี่เข้าไปด้วยะ น, นันเราก็ควรจะเอาธรรมะที่พระองค์ได้ตรัสเนียมาพูดมาสนทนากัน ทีนี้เรื่องความไม่ประมาทนี่พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสเฉพาะเป็นตัชมวาตรจาระหว่างที่พระองค์ได้ประทับอยู่ที่สาวัตถีนี่ก็เคยตรัสกับพระเจ้าเปรเสณที่โกศลเท่านั้นตรัด ถ, ถึงเรื่องของความเจริญงอกงามความมั่นค ง, งของแม้แต่แว่นแพร่นเองของฝ่ายรัฐบ้านเมืองเนี่ยการที่บ้านเมืองจะเจริญรุ่งเรืองมั่นคงอยู่ได้ก็ต้องอาศัยพระราชาต้องมีหนึ่งกัลยาณมิตร มีมหาอามาตย์ ม, ม, มีข้าราชบริพารที่มีความสามารถมีสติปัญญาและมีความซื่อสัตย์มีคุณธรรมแล้วเจ้าจงนั้นก็ต้องมีความไม่ประมาทพระองค์ัดนี่ตักับพระเจ้าพระเศสนที่โกศลด้วยในเรื่องความไม่ประมาทและในที่อื่นๆพระองค์ยังกัดไว้อีกถึงว่าความไม่ประมาทนั้นเป็นดุดรอยเท้าช้างคือรอยเท้าสัตว์บกทั้งหลายเนี่ยไม่มีรอยเท้าใดใหญ่เกินรอยเท้าช้าง ทุกอย่างลงในรอยเท้าช้างได้ทั้งหมดเหมือนกับธรรมะทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าจัดเนี่ยก็ลงในทางความไม่ประมาทได้ทั้งสิน้นทําไมพระพุทธเจ้าจึงทรงย้ํานักหนาเรื่องความไม่ประมาทก็เลยอยากจะเอามาพูดกันเท่ากับว่าในแง่หนึ่งเหมือนกับเป็นการสรุปรวมคําสอนของพระพุทธเจ้าไปด้วยเพราะบอกแล้วว่าธรรมทุกข้อรวมลงได้ในความไม่ประมาทแล้วก็มีเรื่องความไม่ประมาทก็จัดที่สาวัตถีนี้บางด้วย ขอให้โยมพิจารณาถึงความเป็นไปของสิ่งทั้งหลายที่เราบอกว่ามีความไม่เที่ยงมีเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปในเรื่องของความไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี้ก็รวมถึงเรื่องสังคมมนุษย์ด้วยสังคมมนุษย์ของเราแม้แต่สังคมที่เล็กที่สุดก็คือครอบครัววงศตระกูลขยายไปจนกระทั่งถึงชุมชนถิ่นฐานแว่นแครนประเทศชาติ และกอารยธรรมของมนุษย์ทั้งหมดเราจะเห็นว่ามันตกอยู่ในคตินี้คือมีความเจริญแล้วก็เสื่อมจเจริญขึ้นแล้วก็เสื่อมไปมันก็เป็นอย่างนี้กันมาเรื่อยตลอดเวลาทีนี้ความเจริญความเสื่อมไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นั้นเราก็เห็นได้ตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าว่ามันเป็นไปตามเหตุปัจจัยเป็นไปตามเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยแห่งความเสื่อมความเจริญเหล่านั้น S <S ส่วนหนึ่งก็คือการกระทําของมนุษย์เองหมายความว่ามนุษย์นี้เป็นเหตุปัจจัยอย่างหนึ่งในบรรดาเหตุปัจจัยทั้งหลายแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะหมายความว่าที่จะโดนที่เสื่อมไปนั้นเหตุปัจจัยอย่างอื่นก็มีแต่เหตุปัจจัยอย่างหนึ่งก็คือตัวมนุษย์เองได้แก่การก ร, ก, การกระทําของมนุษย์การกระทําของมนุษย์นี้เป็นส่วนสําคัญมากคือกรรมที่จะทําให้เกิดความเสื่อมความเจรแล้ว ปัจจัยในส่วนของมนุษย์นรื ก, กรรมของมนุษย์เนี่ยเป็นปัจจัยใหญ่ที่ว่าจะไปจัดการก่อเหตุปัจจัยอื่นได้ด้วยคือเหตุปัจจัยในธรรมชาติสิ่งทั้งหลายมันจะเป็นยังไงเนี่ยบางทีก็เป็นพมนุษย์ไปจัดไปทําไปอย่างเรื่องของธรรมชาติแวดล้อมอที่มันเปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมทางเจริญอย่างต้นไม้เนี่ยมนุษย์ก็สามารถไปปลูกมันก็ได้น่จะไปตัดไปโค่นมันก็ได้ป่าไม้ที่หมดไปนี่มนุษย์ทําลายจํานวนมากมาย นั้นปัจจัยส่วนมนุษย์นี่มันมีความหมายที่ว่าไม่เฉพาะการกระทำของตัวเองในส่วนของที่เป็นเรื่องของมนุษย์เองเท่านั้นมนุษย์ยังไปจัดการกับสิ่งอือ่นๆทั่วไปด้วยเช่นธรรมชาติแวดล้อมบนต้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องให้ความสําคัญแก่เหตุปัจจัยในส่วนของมนุษย์นี่เรามามองว่าสังคมมนุษย์มีความเสื่อมความเจริญและเสื่อมเจริญนี้เป็นไปตามเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยที่สําคัญก็คือตัวมนุษย์เอง ตัวมนุษย์เองนี้ทำให้เกิดความเสื่อมความเจริญขึ้นแต่ว่าตัวมนุษย์ที่ทำให้เสื่อมเจริญนั้นเป็นอย่างไรเราก็มามองดูว่าการที่จะเจริญเสื่อมนั้นก็อยู่ที่มนุษย์นี่ในสมัยไหนมีความเข้มแข็งมีความเอาใจใส่ใช้สติปัญญาเช่นว่าตั้งใจทำงานงานทำการมีความเพียรพยายามในสังคมตั้งแต่ครอบครัวเป็นต้นไปวงศตระกูลก็จเจริญมัน่นคง แต่สมัยไหนมนุษย์เป็นคนเกียจคร้านไม่มีความเพียรพยายามมีความหลงบ่มเอาเพลิดเพลินในความสุขเป็นต้นสังคมก็มีความเสือ่อมเราจะเห็นว่าอารยธรรมต่างๆาก็จะเป็นแบบนี้อารยธรรมหลายอารยธรรมเนี่ยสมัยก่อนนี้ไม่มีความเจริญเลยอยู่กันลาบากยากแค้นวันพระพุุธนี่มีความขยันหมั่นเพียรตั้งใจที่จะสร้างสารรค์ความเจริญขึ้นมาก็เจริญรุ่งเรือง แต่พอจเจริญรุ่งเรืองแล้วพอถึงยุคที่มีความสุขสําราญพรั่งพร้อมทุกอย่างคนในยุคนั้นเริ่มหลงบวมเมาติดเพลินในความสุขไม่มีความขยันหมั่นเพียรไม่ตั้งใจทํากิจนละที่สังคมก็จะเสื่อมลงไปเสื่อมจเจริญอย่างนี้สลับกันไปเราก็เลยได้เห็นวงจรของสังคมของมนุษย์ข่าวหลักอันหนึ่งที่บอกว่ามนุษย์เมื่อถูกทุกเบีบดั้นไผ่คุกคามก็จะตื่นรุ่นข้นขวาย แต่เมื่อไรมีความสุขสบายก็มีความโน้มเอียงไปในทางที่จะมัวเมาขึ้ ม, มาและอันนี้แหละนี่แหละคือปัจจัยส่วนมนุษย์ที่ทําให้เกิดความเจริญความเสื่อมแต่อันนี้เป็นปัจจัยความเสื่อมความเจริญในฝ่ายของกิเลส ข, ของมนุษย์ปุถุชนมนุษย์ปุถุชนมักจะอยู่ในคติของความเสื่อมความเจริญแบบนี้ก็คือว่า ย้ำอีกทีหนึ่งเมื่อถูกทุกข์บีบคั้นภัยคุกขามก็กระตือร้ น, นดิ้นรนขนขวาเมื่อใดมีความสุขสบายก็เพลิดเพลินหลงบ่วงเหมาเพราะมนุษย์ปุถุชนเป็นอย่างนี้จึงต้องตกอยู่ภายใต้วงจรแห่งความเสือ่อมความเจรในทางธรรมะท่านจึงสอนให้เราแก้ไขกิเลสนิ้เสียถ้ามนุษย์ไม่ตกอยู่ใต้อานาจกิเลสนี้เรา ตระหนักในสิ่งที่ควรจะทำใช้สติปัญญาหยุดสมอเลยรู้ว่าอะไรเป็นหน้าที่อะไรเป็นสิ่งที่ควรทำอะไร เ, เป็นเหตุปัจจัยที่จะทำให้เสื่อมเราก็แก้ไขป้องกันอะไรที่จะนำความเจริญมาให้เราก็ทำเราไม่มัวผัดวันประกันพรุ่งไม่มัวปล่อยปลและเลยทอดทิ้งอะไรอย่างนี้เราก็สามารถสร้างสรรรักษาความเจริญไว้ได้อันนี้แหละคือหลักความไม่ประมา เพระนั้นพระพุทธเจา้าจึงตรัสเหมือนกับเป็นหลักประการว่าถ้าเราไม่ประมาทแล้วนี่เราไม่จําเป็นจะต้องเสื่อมอันนี้คือหลักสําคัญหลักธรรมหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เรียกว่าอภริหานิยธรรมแปลว่าธรรมะไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมดูแล้วเหมือนอย่างกับกคัดค้านหลักอ น, นิจจังเลยคือพระพุทธเจ้าตรัสธรรมะไว้เนี่ยให้ดูสองแง่แง่หนึ่งพระองค์ตรัสบว่าสิ่งทั้งหลายมันอ น, อ น, น, นิจจังไม่เที่ยงมันก็ต้องเกิดขึ้น เสื่อมไปเป็นธรรมดานี่นาะเรามองในแะง่อันนี้จังกฎธรรมชาตินะก็เป็นความจริงอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเราก็จะพูดทํานองว่าสิ่งทั้งหลายก็ธรรมดามันเสื่อมมันจเจริญก็อันนี้จงังเกิดขึ้นมันก็ต้องดับไปอะไรเงี้ยเราก็พูดทํานองนี้แต่เราจะลืมนะอันนี้มีอีกหลักหนึ่งคือหลักความไม่ประมาทบอกถ้าเราไม่ประมาทซะแล้วเราไม่จําเป็นต้องเสื่อมจเจริญได้เรื่อยอปและสองหลักเนี่ย ที่เป็นปริศนาไว้ให้ชาวพุทธพิจารณาว่ามันไม่ขัดกันอย่างไรเดี๋ยวจะว่าเอพระพุทธเจ้าทํำไมกลัดอย่างนี้บอกว่าทำทำให้ดีแล้วไม่มีเสื่อมเลยเนะ่ยอ้าวก็ไม่ขัดกับที่พระองค์กลัดไว้หรือว่าสิ่งทั้งหลายเป็นอนิจจังเกิดขึ้นก็ต้องดับไปสองหลักนี่ไม่ขัดกันเลยและแถมสนับสนุนกันด้วยอันหนึ่งไปกดธรรมชาติเป็นคติธรมรมดารสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงเป็นอนิจจังแต่อีกด้านหนึ่งพระองค์ก็กัดว่าถ้าเรา ไม่ประมาทเสร็จแล้วเราก็ไม่จําเป็นต้องเสือ่อมอันนี้เพราะอะไรอาตมาจะขออธิบายสันส้นๆคือความไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะั่นเป็นกฎธรรมชาติใช่สิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแหละแต่ทีนี้เวลาความเปลี่ยนแปลงนั้นมามาสัมพันธ์กับมนุษย์เนี่ยความเปลี่ยนแปลงนั้นมันจะมีความหมายเป็นความสื่อมและความเจริญโดยที่ว่า ถึงเสื่อมถึงเจริญมันก็เป็นอนิจจังทั้งคู่นี่แหละใช่ไหมมันจะเป็นการเสื่อมหรือเจริญมันก็คือไม่เที่ยงก็เปลี่ยนแปลงไปตัวอนิจจังไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปนั้นมันยังเป็นกลางกลาง ม, มันเป็นกฎธรรมชาติไม่ดีไม่ชั่วมันก็เปลี่ยนแปลงไปแหละแต่ทีนี้สําหรับมนุษย์นั้นความเปลี่ยนแปลงแบบหนึ่งเราพอใจเป็นคุณประโยชน์แก่เราเราเรียกว่าเป็นความเจริญ ความเปลี่ยนแปลงแบบหนึ่งที่ไม่เที่ยงแบบหนึ่งนั้นไม่เป็นที่พอใจแก่เราเป็นโทษต่อเราเราเรียกว่าความเสื่อมที่เราเรียกว่าเจริญและเสื่อมที่จริงก็คืออนิจจังนั่นแหละเพราะฉะนั้นเสื่อมหรือเจริญนี่ในแง่สังคมมนุษย์เป็นเรื่องสมมติแต่ว่าสมมตินี่แหละสําคัญสําหรับมนุษย์เมื่อเราชอบสมมติในสิ่งที่เรียกว่าเจริญเราก็ให้มันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เจริญสิ เพราะว่ามันก็คือเปลี่ยนแปลงนั่นแหละที่ว่าเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยใช่เหมลืมพาดไม่ว่ามันจะเปลี่ยนทางไหนมันก็เปลี่ยนแปลงแหละแต่ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงยังไงก็แล้วแต่เหตุปัจจัยสิเพราะฉนั้นเราก็เปลี่ยนแปลงให้มันเป็นไปในทางที่เราชอบใจซะโดยทําเหตุปัจจัยให้มันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เราเรียกว่าเจริญแล้วเราก็ป้องกันความเปลี่ยนแปลงในทางที่เราเรียกว่าความเสื่อมเพราะฉะนั้นเราก็สามารถป้องกันความเสื่อมรักษาความเจริญได้ เพราะนั้นหลักธรรมสองหลักนี้ไม่คัดค้านกันเลยสนับสนุนซึ่งกันและกันแต่เรามีความไม่ประมาทสัอย่างเราสามารถเอาประโยชน์จากอ น, นิจจังได้นี้คือความสามารถของมนุษย์ความไม่ประมาทคือหลักที่ทําให้เราสามารถเอาประโยชน์จากอ น, นิจจังได้อ น, นิจจังเป็นกฎธรรมชาติที่ว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันเปลี่ยนแปลงไปแต่เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยเราก็ใช้ประโยชน์มันซะเลย เราก็ไปทำเหตุปัจจัยที่จะให้เปลี่ยนแปลงไปในทางเจริญซะมันก็เจริญอยู่เรื่อยไปนี่แหละมนุษย์ต้องใช้สติปัญญาพัฒนานั้นหลักสองหลักเนี่ยถ้าใครจับได้แล้วก็สามารถทำให้ไม่มีความเสื่อมมีแต่ความเจริญเรียกว่าใช้ประโยชน์จากอนิจจังได้ก็ขอย้อนกลับมาพูดถึงเรื่องความไม่ประมาททีเพราะอันนี้แหละคือความไม่ประมาทที่จะทาให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากอนิจจัง ทีนี้ความไม่ประมาทนี้นั้นแปลว่าอะไรเราก็มาดูตัวความประมาทก่อนความประมาทนั้นแปลว่าความขาดสติความละเลยความทอดทิ้งความเฉื่อยชาความไม่กระตือรือร้นขวนขวายความผัดเพี้ยนไม่เอาเรื่องเอาราวไม่ใส่ใจนี่น่ยการปล่อยปลาละเลยนี่เรียกว่าความประมาท สิ่งที่ควรจะต้องทําเห็นอยู่ก็ผัดเพี้ยนไปไว้พรุ่งนี้เถอค่อยทํานี่เรียกว่าประมาทนะหรือว่ามไป เ, เพลิดเพลินมวัมวเมาหลงในความสุขซะไม่ทําสิ่งที่ควรทําก็เรียกว่าประมาทความประมาทนี้สําคัญอย่างยิ่งนี้ความประมาทนี้จะมีความสําคัญอย่างไรนะถ้าประมาทเสียอย่างนั้นหนึ่งก็คือว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าอุตสาห์สั่งสอนมา45รรมา่สิบห้าาษาแป0หมนพันวธรรมขัน มีในคมภีร์มากมายเท่าไรเรียนกันไปเท่าไรรู้จําได้เท่าไรนี่ประมาทซะอย่างเดียวไม่ได้รับการปฏิบัติจะไม่ใช่เรียกว่าธรรมะมีเท่าไรเรียนมาเท่าไรก็นอนหลับอยู่ในคำภีร์หมดเลยประมาทซะอย่างเดียวนี่เพราะนั้นใครจะมาพูดว่าโอ้รู้ธรรมะอย่างนั้นนี้นเก่งเท่าไรประมาทซะอย่างเดียวเขาก็ไม่ปฏิบัติเลยเพราะฉะนั้นสุขาไม่ประมาทจึงรวมธรร ม, มะอื่นหมดก็เพราะอันนี้ เพาะ่าประมาทซะอย่างเดียวแล้วธรรมะทุกอย่างมีเท่าไรก็ไม่มีการปฏิบัติแต่ถ้าไม่ประมาทก็ตรงข้ามเรียนธรรมะมา1ข้อก็ได้รับการปฏิบัติเรียนมา2ก็ปฏิบัติสองเรียนมา50 ห, หัวข้อก็ปฏิบัติหมดเพราะฉะนั้นเรียนมารู้เท่าไรก็ได้รับการปฏิบัติหมดเลยความไม่ประมาทจึงสําคัญอย่างยิ่งอันนี้ประการที่หนึ่ง นี่ล้นั้นหนึ่งแล้วนั่นเลยพรเนี่ยที่สวสดสาคัญเนี่ยทำไมมันจึงครอบคลุมเป็นรอยเท่าชาเพราะทําให้ธรรมะทุกข้อที่ได้รับเรียนที่ปฏิบัติที่พระเจ้าสอนนี่ได้รับการปฏิบัติจริงต่อไปประการที่2ก็คือว่ามันไปดักข้างนาอีกทีนึงคือคนที่ปฏิบัติธรรมะหรือคนที่ได้สร้างสารรค์ความเจริญอะไรต่างๆเนี่ยได้มีความดีงามความเจริญมีความสุขเนี่ย พอไปถึงจุดนะได้ทําความดีได้ประสบความสําเร็จมีความสุขเนี่ยนี่เป็นพวกดีใช่ไหมเรียนพ่อนเราก็ดถึงก็ดีและอุตสาห์ปฏิบัติทำเป็นคนที่เจริญก้าวหน้ามันจะมาตกหลุมสําคัญคือหลุมความประมาทนี่แหละความไม่ประมาทมันสาคัญตรงนี้อันคือคนที่ไม่ดีเราก็พยายามสอนให้เขาทําดียังไม่มีความสุขก็พยายามสอนจํำจิตจาใจให้ สร้างตัวนะพัฒนาจิตใจพัฒนาทุกอย่างจะได้มีความสุขยังไม่มีความสำเร็จก็ให้เขาขยันวันเพียรก็สอนอุตสาหสอนกันมาสอนจนกระทั่งเขาก็มีความสำเร็จมีความสุขมีความดีจริงแต่พอเขาดีเขามีความสุขเขามีความสาเร็จเขาก็มาตกหลุมความประมาทอีกเรื่อยๆนี่แหละอันนั้นมันจึงสำคัญมากตรงนี้ความประมาทเป็นหลุมดัก คนดีคนประสบความสำเร็จและคนมีความสุขเพราะนั้นชาติที่จเจริญรุ่งเรืองเดี๋ยวกับมาตกหลุมนี้แม้แต่พระริยเจ้าจะมาเล่าให้ฟังทีและพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระสูตรพระโสดาบันปฏิบัติธรรมะได้บรรลุคุณธรรมวิเศษเบื้องสูงก็มาภูมิใจว่าแม้เรานี่ได้ เพียรพยายามปฏิบัติประสบความสําเร็จได้บรรลุทําบื้งสูงถึงเพียงนี้แล้วเกิดความภูมิใจและสันโดษขึ้นมานี่พระพุทธเจ้าตัดคํานี้เลยนะว่าสันโดษขึ้นมาเกิดความสันโดษพอใจในคุณความดีที่ตนได้บรรลุตอนนี้เราจะทําให้เฉยเลยเลยพอพอพอใจในคุณธรรมที่ได้บรรลุก็เฉยเลยใช่ไหมตอนนี้ไม่ขมีขมันไม่กระตือรือร้อนขวนขวาย พระพุทธเจ้าจาัดบทนี่ประมาทาวิหารีเธอผู้อยู่ด้วยความประมาาหยุดแล้วนี่เสื่อมแล้วเลยนพอทราบใดยังไม่เป็นพระอรหันต์ยาได้นอนใจไงพระพุทธเจ้าจาัดเ ต, ตือนไว้และพระองค์จัดไว้ว่าบุคคลผู้เดียวที่จะเป็นผู้ไม่ประมาทก็คือพระอรหันต์แม้แต่พระนาคามีก็ยังประมาทได้เนี่ยพระท่านความไม่ประมาทเนี่ยเป็นหลักธรรมสูงสุดเลยนะเลยนพอมีพระอรหันต์เท่านั้น ถ้าเป็นมนุษย์ปุจุชนนี่จะต้องเร่งกันอยู่เสมอเลยแลวจะใช้ตัวนี้เป็นเกณฑ์ในการวัดตัดสินความเสื่อมความเจริญการพัฒนามนุษย์อาวเป็นวันนี้เหตุผลประการที่สองแล้วที่ว่าคนเราจะเญเสือ่อมไปแล้วก็จะมาติดอันนี้ทีนี้มาพูดถึงเรื่องของคนที่ว่าดีก็อาตมาก็ยกตัวอย่างแล้วว่าเช่นพระโสดาบันบรรลุ ค, คุณธรรมความดีเบื้องสูงก็ประมาทเพราะพอใจหยุด เฉยแต่ทีนี้สุขคนที่มีความสุขก็อาจจะสุขเพราะว่าทำปัจจัยภายนอกได้ประสบความสำเร็จได้สร้างสรรทรัพย์สินเงินทองอย่างคนที่ร่ำรวยขึ้นมาอย่างพ่อแม่เคยยากจนค้นแค้นถูกทุกข์ภัยบีบคั้นคุกขามก็เลยกระตือรือร้นขนขวายเร่งรัดตัวเองจนกระทั่งมั่งมีสีสุขนี้ตัวเองเพราะว่าเคยขยันมาจนชินเป็นนิสัยก็เลยขยันต่อมา แต่นี้ลูกเกิดมาในถามกลางความสุขสบายไม่เคยสร้างนิสัยที่ขยันหมันเพียรเมืก่อนและพ่อแม่ก็ใช้พรมวิหารไม่ครบเอาแต่เมตตากรุณามุญติธรมมาใช้อุเบกขาไม่ฝึกลูกไม่หัดให้ลูกรับผิดชอบลูกก็เลยเพลิดเพลินหลงมัวเมาในความสุขตอนนี้ละเสื่อมนีม่คนที่สุขและเสื่อมสุขที่มีความ พ, พร้อมภายนอก ทีนี้สุขที่สองคือสุขภายในคนที่ปฏิบัติธรรมได้ประสบแม้แต่ภัยพิบัติความพลาดพลากหรือความเสื่อมภายนอกปรับใจได้ทําใจได้ก็มีความสุขพอปรับใจได้มีความสุขก็สบายประมาทได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงว่าดีนะเดิมพรแม้แต่ปรับใจได้ทําใจได้นี่ มันมีจุดเสื่อมเหมือนกันคือเกิดความสบายแล้วก็ไม่กระตือรือร้นข้นขวายปัญหาข้างนอกมีอยู่ไม่แก้ไขเพราะตัวเองสบายแล้วทำใจได้เป็นยังไงก็เป็นไปน่ะเราทำใจได้แล้วตอนนั้นก็ไปแพ้คนที่เขาจิตใจไม่สบายมีความทุกข์คนที่มีความทุกข์โกรก็วายปรับใจไม่ได้ต้องไปแก้ไขข้างนอกอยางดิ้นรนอยู่ก็แก้ไขปัญหาข้างนอกก็เสียอย่างคือใจเป็นทุกข์แต่ว่า สามารถแก้ไขปัญหาภายนอกได้ก็เลยดีคนละอย่างเสียคนละอย่างคนที่ปรับใจได้ทําใจได้มีความสุขภายในแต่ปัญหาภายนอกเลยทิ้งเลยไม่แก้ก็เสียอีกเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงตัดเรื่องความไม่ประมาทนี่มาดักไว้ว่าถ้าหากว่าทําความสุขให้เกิดขึ้นกับตนได้จะสุขจากปัจจัยภายนอกก็ตามจากปัจจัยภายในก็ตามเนี่ยจะต้องไม่ประมาท จะต้องไปไม่หลงติดในความสุขไม่ว่าประการใดๆทั้งสิ้นอันนี้คนจํานวนมากเนี่ยมามีปัญหาเรื่องนี้อันนี้อาตมาก็เลยโยงมาที่เรื่องที่ตั้งเป็นคําถามเมื่อวานนี้บอกว่า阿拉อาตมาก็ยกตัวอย่างเช่นอินเดียกับฝรั่งบอกว่าคนอินเดียนี่อยู่ง่ายๆ ย, ยังไงก็ได้นีอยู่โสกปลกรกรุงมลังไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยก็บสบายใจ นะและก็มีความสุขดีเหมือนกันพอสมควรก็อย่างน้อยก็ไม่คอดเป็นโรคเส้นประสาทอะไรเนะียทีนี้ฝรั่งนี่แก้ไขปัญหาดินโลนกระตือรือร้นขนขวายอยู่ไม่ได้กับความยากจนอยู่ไม่ได้กับสิ่งของน้อยๆต้องสร้างต้องทำขึ้นมาแต่ว่าชีวิตนั้นมีความเครียดมีความโกลงกระวายเป็นโรคเส้นประสาทมา ก็เลยได้ถามบอกว่าอันนี้เป็นทางเลือกสองอย่างที่ต้องเลือกเอาอย่างหนึ่งหรืออย่างไรหรือที่จริงมันเป็นเพียงสุดโต่งสองทางนะที่เราจะต้องแก้ทั้งสองไม่ใช่เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนี่ถ้าตอบตามหลักพุทธศาสนาก็ถือว่าเป็นสุดโตง่งนะไม่ถูกทั้งสองจะต้องแก้ไขจะต้องปรับให้มันพอดีในสังคมอินเดียนี่ถ้าเราพิจารณาในแง่หนึ่งเพราะการที่ว่าอยู่ง่ายๆอย่างที่บอก ยังไงก็ได้เนี่ยยังไงก็ได้ยังไงก็ได้เลยกลายเป็นอาจจะเป็นมักง่ายไปอย่างที่ว่านมันเป็นความโน้มเอียงของจิตใจเพราะเราสบายซะแล้วเราก็ปล่อยเรื่อยเฉยนี่แหละคือความประมาทอะไรที่ควรทาก็ไม่ทําเพราะฉะนั้นจึงได้บอกว่าความง่ายแม้แต่ความเป็นอยู่เรียบง่ายอะไรเนี่ย มันไม่เป็นตัวตัดสินในตัวเองต้องระวังมากมันต้องมาควบกับองค์ธรรมข้ออื่นด้วยมันต้องมีวัตถุประสงค์ถ้ามันมาเฉพาะตัวมันแล้วมันทำให้เราเกิดความพอใจสบายซะและ้วไอ้ตัวพอใจนี่เราจะนำไปสู่ความหยุดความเฉื่อยชาและความประมาทและจะนำไปสู่ความเสื่อมอันนี้อย่างนี้ก็เรียกว่าปรับใจได้ก็หมายความว่าเขาพอใจในสิ่งง่าย ในแม้แต่ความที่ไม่ค่อยมีอะไรก็อยู่ก็ได้นะปรับใจได้พอใจสบายมีความสุขแต่ว่าอันนี้คือนําไปสู่ความเกลียดคร้านความมักง่ายความเฉื่อยชาในะความตกต่ำเหมือนกันยนะถ้าเขาพอใจสบายไม่ต้องมีอะไรแล้วเขาก็ไม่ต้องขอสินี่เสร็จแล้วทําไมพอใจอยู่สบายคนมาทีไรแบรมือทุกทีอย่างนี้ตัวเองไม่ทําอย่างนี้ไม่ไหวและเนะ ถ้าพอใจสบายดีแล้วก็จะมาขอสิใช่ไหมเรมัก็พอแล้วน่ยดังนั้นไปไปมามาจะติด น, นิสัยเอาง่ายเขาว่านี้คนอีกพวกหนึ่งก็ยังอยู่ลักษณะปุถุชนเหมือนกันคือว่าถูกทุกบีบคั้นภัยคุกคามก็กระตือรือร้นขวนขวายการที่ถูกทุกบีบคั้นภัยคุกคามนี่เราจะสามารถผลักดันให้แรงขึ้นด้วยอำนาจกิเลย เอาโลภะเอาโทสะมาผลักดันนี่จะทำให้ตัวบีบคั้นในจิตนี่มาแรงขึ้นเอาโลภเอาโกรธมาผลักดันบีบคั้นจิตใจเขามันจะ ด, ดิ้นกันใหญ่เลยนมันก็จะเร่งกระตือรือร้นขนขวายกันใหญ่คิดว่าปัจจุบันนี้ที่เรียกว่าระบบแข่งขันเนี่ยก็เป็นวิธีของการเอาทุกบีบคั้นภายคุกขาดมาทาให้คนกระตือรือร้นขนขวาย เพราะระบบแข่งขันนี่จะทำให้คนนี่ต้องตัวใครตัวมันนานไปก็พึ่งกันไม่ได้นะเราจะต้องให้เดินหน้าชนะเขาตั้งเลยหน้าคนอื่นนะหากว่าไม่รีบเร่งขนขวายไม่กระตือรือร้อนตายไม่มีใครช่วยเหลือเพราะนั้นก็เอาสภาพสังคมเนี่ยเอาระบบมาบีบขั้นคนก็เป็นระบบของการที่ใช้ทุกบีบขั้นภายคุกขาดแต่มันกลายเป็นระบบสังคมไปเลย เป็นอาตมาใช้คำว่าเป็นระบบทุกภัยประดิษฐ์นคือทำให้มันคนสร้างมันขึ้นมาให้คนที่อยู่ในสังคมเนี่ยต้องถูกทุกบีบคั้นภายคุกคามตลอดเวลาในะ น, นสังคมที่ใช้พรมวิหารไม่มีดุลยภาพจึงบอกว่าคนมีเมตตากรุณาเมตตาช่วยเหลือกันมีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลดีคนที่อยู่ในสังคมแบบนี้ถ้าเอียงสุดไปก็จะกลายเป็นคนที่ว่าหวังพึ่งกันได้ง่าย ก็ทําให้ไม่กระตือรือล้นขนขวายก็โน้มไปในทางที่จะตกอยในความเดือดร้อนั้นธรรมะนี่แหมเป็นเรื่องที่ต้องระวังนี่แหละตัวไม่ประมาทคือตัวสติความไม่ประมาทนั้นท่านแปลว่าความไม่อยู่ปราศจากสติคือเป็นอยู่ไม่ปราศจากสติ <c oughs> เลยสติมันเป็นตัวคอยตรวจสอบสติคืออะไรคือความระลึ ก, อกคอยนึกคอยนึกคอยระลึกมีอะไรเกิดขึ้นเป็นไปมันจะทําให้เกิดผลกระทบในทางที่เสียหายไม่ดีไม่งาม ทำให้เกิดความเสื่อมก็ต้องรีบจับเอามาแก้ไขป้องกันอะไรที่จะทําให้เกิดความดีงามความเจริญก็รีบเอามาปฏิบัติสติมันจะคอยตรวจอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเราจะไม่เพียงพามเพราะสตินี่คอยตรวจคอยตราไว้แล้วต้ไม่ประมาทนี้ถ้าเราไม่ใช้สตินี่เราจะพลาดอยู่เรื่อยเลยพอมีความสุขสบายก็หลงเพลิดเพลินอย่างที่ว่านี่ก็เป็นอย่างเงี้ยในสังคมที่มีน้ําใจช่วยเหลือกันมากเกินไป จนกระทั่งไม่เอาหลักเอาเกณฑ์ก็จะทําให้คนนี่หวังพึ่งผู้อื่นคนบางคนนี่จะมัวแต่หวังพึ่งคนอื่นคอยรับความช่วยเหลือในที่สุดก็ไม่กระตือรือร้อ น, นขนไคลและเสร็จแล้วก็ทําให้เกิดความเสือ่อมนั้นในแง่หนึ่งไอ้สังคมเนี่ยมันกลับกลายเป็นเจริญเพราะว่าแต่ละคนนี่ไม่ช่วยเหลือกันเลยก็บีบคั้นว่าใครไม่ไดิน้นรนแล้วก็ตายอยู่ไม่รอด น, นั้นก็ต้องช่วยตัวเองสินะ ไม่มีใครมาเอาด้วยหรอกตัวใครตัวมันดิ้นรนขนขวายไปมันก็เจริญก็ดีไปอย่างแต่ว่ามันไม่สมดุลแหละและอีกอย่างหนึ่งก็คือระบบทุกภัยประดิษฐ์นี้เป็นระบบกิเลสเมื่อเป็นระบบกิเลสเนี่ยมันไม่มองเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างสรรค์ความดีงามมันเอาตัวแค่ว่าคือหมายความว่าที่ดิ้นรนนั้นเพื่อปกป้องตัวเองเพื่อเอาตัวรอดและเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองดิ้นรนขนขวายไปแต่ว่าด้วยอํานาจกิเลส มุ่งเพื่อปกป้องตัวเองมุ่งเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเท่านั้นเพราะฉะนั้นไม่คำนึงถึงเหตุปัจจัยที่จะเป็นไปเพื่อความดีงามและความเจริญความสุขที่แท้จริงของชีวิตและสังค ม, มเพราะนั้นก็ไม่ใช่เป็นประโยชน์ที่แท้จริงพระพุทธศาสนา จ, จึงไม่ยอมรับความไม่ประมาทแบบนี้ความไม่ประมาทที่เกิดจากการใช้ทุกบิดขั้นภัยคุกคามตามระษาปุถุชน ตลอดจนเอากิเลสมาช่วยเป็นตัวเร่งรัดอันนี้ไม่ใช่ความประมาทที่แท้แต่เป็นความประมาทเทียมพราะพุทธศาสนาไม่ยอมพลาดถ้ามนุษย์ใช้ความไม่ประมาทเทียมแบบนี้แล้วเขาจะต้องตกอยู่ในวงจรในความเสื่อมความจเจริญด้วยไปเพราะอะไรเพราะว่าพอเขาดิ้นรนขนขวายจเจริญขึ้นมาได้เขาก็เพลิดเพลินในความสุขก็โมเมาอีกพอโมเมาเขาก็เสื่อมอีกถ้ามนุษย์ อยู่ใต้อำนาจระบบแบบนี้แล้ววงจรแห่งความเสื่อมความเจริญก็มีเลื่อนไปแล้วก็จะไม่สามารถเข้าถึงความเจริญแบบที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าให้มีแต่ความเจริญไม่เสื่อมก็คือต้องใช้ความไม่ประมาททีนี้การที่เราจะรักษาชีวิตและสังคมให้เจริญก็งามต้องใช้ความไม่ประมาทที่แท้ความไม่ประมาทที่แท้นั้นก็คือตัวสติและปัญญาไม่ต้องรอให้ทุกขมาบีบท่าน ไม่ต้องรอให้ภัยมาคุกคามแล้วจึงลุกขึ้นมาดิ้นโลนขนขวายแต่เอาสติปัญญานี่แหละมาเป็นตัวบอกอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าสตินี่มันทำหน้าที่ยังไงมันคอยนึกคอยระลึกตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาสตินี่เป็นตัวตื่นนะสติโลกัสมิชาคโรสติเป็นทําเครื่องตื่นในโลกถ้าใครมีสติแล้วไม่หลับไหลไม่หลงไหลท้งไม่หลับไหลและไม่หลงไหลตื่นตัวอยู่เสมอ ตื่นตัวยังไงมีอะไรเกิดขึ้นเป็นไปก็คอยนึกคอยระลึกเันนีเน้เราอยู่ในสังคมอย่างนี้ชีวิตของเราเกี่ยวข้องกับอะไรอะไรมันจะมีผลต่อทบต่อความดีงามความเจริญความสุขของเราต่อสังคมของเราต่อครอบครัวของเราเนี่ยยมเอามานึกเอามาระลึกอยู่เสมอก็ตื่นตัวทันต่อสถานการณ์พอเราเอามาลึกนาระ ล, ลึกแล้วอันใดที่มัน จะมีผลกระทบอย่างที่ว่าเราก็ส่งให้ปัญญาพิจรารณาสติปัญญาทำงานคู่กันสติระลึกนึกเอามาแล้วก็ส่งให้ปัญญาพิจรารณาปัญญาก็ดูว่าเอออันนี้มันจะเป็นเหตุปจยยัจจัยแห่งความเสื่อมหรือความเจริญพอเป็นเหตุปจยยัจจัยความเสื่อมรีบจัดการป้องกันแก้ไขทันทีไม่ปล่อยไว้อันไหนที่จะทำให้เกิดความเจริญก็รีบจัดการสร้างขึ้นมาเลยไม่มีการผัดเพี้ยน แล้วลองคิดดูเถอะเราจะไม่สามารถรักษาความเจริญไว้ได้หรือถ้าเราทําอย่างนี้มันก็ต้องสามารถป้องกันความเสื่อมรักษาความเจริญไว้ได้อันนี้แหละคือความไม่ประมาทที่แท้จริงแต่มันเป็นตัวพิสูจน์ว่ามนุษย์เนี่ยจะสามารถพัฒนาตนได้หรือไม่ความไม่ประมาทมนุษย์ทําได้ไหมทั้งในชีวิตส่วนตัวและในสังคมสังคมมนุษย์เนี่ยพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้แล้วบอกว่าเออท่านสามารถนะ ที่จะไม่เสื่อมมีแต่จเจริญอย่างเดียวถ้าท่านไม่เตือมาแต่ว่ามนุษย์จะทำได้ไหมถ้าเป็นบุตุชนมันก็จะมีความโน้มเองเอที่ว่าพอทุกบีบข้านภัยคุกคามก็เอาสถิิงลุกขึ้นมากระโดดโลดเต้นวิ่งพอภัยผ่านพ้นทุกหายไปสเสวยสุขก็ุ่มหลงบวเมาก็เป็นอยู่มีอย่างเงี้นยนบ้านเมืองเวลามีสงครามมี ศัตรูมีกองทัพจากภายนอกยกมาลุกลานก็ลุกคือมากรีกุจอ่นะมีความสามัคคีกันสักทีหนึ่งรวมกำลังกันต่อสู้พอภัยผ่านไปแล้วสบายทะเลาะกันใหม่ <c oughs> แล้วก็สวยความสุขรุ่มหลงห่มบ่มันเป็นอย่างนี้แหละสังคมมนุษย์ <c oughs> เพราะฉะนั้นมันจึงแก้ไขไม่ได้วงจรในความสื่อและความเจริญนนถ้าเราปฏิบัติตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้า เราสามารถรักษาความเจริญไว้ได้ดังนั้นเรื่องของสังคมอินเดียและสังคมฝรั่งเที่ยตมามายกเป็นตัวอย่างเนี่ยก็เพื่อเห็นว่าสังคมอินเดียนี่อาจจะเป็นสังคมที่ปรับใจได้และก็มีความสุขตามสมควรกับสิ่งง่ายๆแต่วันนี้ก็คือว่าปล่อยปลาลั่นเลยไม่ต้องทําอะไรไมีอะไรกับผัดเพี้ยนไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบ เนะี่ยเพราะฉะนั้นเรามามืองนี้ก็ได้ยินอย่างที่ท่านมหาสุธินบ้างส่านมหาปิษณะบางเล่าให้ฟังเมื่อวานนี้ท่านก็เล่าบอกว่าที่วัดไทยกุสินาราได้ได้ลองดูแล้วเนะี่ยเอางานอันเดียวกันให้ทําคนอินเดียกับคนไทยคนอินเดียสี่คนทํางานสี่วันงานชิ้นนั้นเสร็จงานชิ้นเดียวกันนั้นให้คนไทยสองคนทําไม่ถึงหนึ่งวันเสร็จ ความเฉื่อยชาก็เกิดขึ้นขนาดไหนนี่คือความประมาทความเฉื่อยชาการผัดเพี้นเวลาการปล่อยปละละเลยนี่คือลักษณะของสังคมที่ตกอยู่ในความประมาทน่าจะลองเอางานชิ้นเดียวกันอย่างเมื่อกี้นี้มอบหมายให้คนญี่ปุ่นและคนฝรั่งลองทําดูบ้างเราคงจะได้เห็นอะไรแปลกๆเป็นความรู้ใหม่ที่น่าสนใจแม้แต่คนไทยเนี่ย ถ้าไม่ระวังให้ดีก็จะกลายเป็นอย่างเดียวกับคนอินเดียที่เราหัวเราะนั้นก็ได้เมื่อย่างคนอเมริกันรุ่นใหม่ยุคนี้ที่เขาเรียกว่ายุคสังคมบริโภคซึ่งเป็นยุคเสพสุขแล้วก็เลยเสื่อมถอยกลายเป็นคนสํารยวยเฉยชาลงมาเรื่อยๆตรงข้ามกับอินเดียสังคมฝรั่งเป็นสังคมที่ตกอยู่ในความไม่ประมาทเทียมเขาใช้ระบบที่เขาเรียกว่าทุกภัยประดิษฐ์มาบีบขั้นคน นั้นไปไม่รอดระยะยาวก็เสื่อมเพราะฉะนั้นพวกนี้ตอนนี้อเมริกันก็กาลังร้องทุกข์อดควรวนแล้วนี่ยว่าคนของตัวรุ่นใหม่นี้ไม่มีนิสัยในการทํา ง, งานและกําลังเสื่อมอยู่และก็กําลังสูญเสียความยิ่งใหญ่นะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราควรพิจรารณาหลักธรรมของพระพุทธเจ้านี่สําคัญยิ่งนักนั้นโยมจะต้องตระหนักถึงความสําคัญของเรื่องความไม่ประมาทนี่เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัดดักไว้หมดนะ ในการปกครองบ้านเมืองกระตัด ก, กับพระเจ้าประเสริฐในที่โกศลนะพระองค์ต้องมีการยานามิตรนะและเสนา จ, จะต้องไม่ประมาทกิจการใดๆในบ้านในเมืองจะปล่อยปละละเลยไม่ได้ต้องไปดูชาวไร่ชาวนาชาวชนบทยุ่งช้างเรือนคางเป็นอย่างไรตรวจตาสอดส่องอะไรที่ต้องรู้ด้วยตัวเองต้องตรวจตราด้วยตนเองอย่างนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ตรัสว่าเป็นคำที่เป็นดับรอยเท้าช้างใหญ่ครอบคลุมธรรมะอื่นๆ แล้วแถมจัดเป็นปชิมวาจาด้วยว่าว่าจาสุดท้ายถ้าพทธจะต้องเอาหลักนี้เป็นหลักที่สาคัญมากเพราะว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้แล้วว่าเราอาจจะประสบความสาเร็จในการปฏิบัติธรรมนะเป็นคนดีแล้วประสบความสาเร็จมีความสุขแต่เราก็มาตกหลมความประมาทนแล้วก็ไปไม่รอดแม้แต่เป็นประโสดา บ, บันนั้นจึงต้องย้มพุทธพจน์ ท, ที่จัดบอกว่า เราไม่สรรเสริญแม้แต่ความตั้งอยู่ได้ในกุศลธรรมทั้งหลายตั้งอยู่ได้ยังไม่สรรเสริญเลยไม่ต้องพูดถึงความเสื่อมถอยจากกุศลธรรมทั้งหลายเราสรรเสริญอย่างเดียวคือความก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปในกุศลธรรมทั้งหลายเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสบอกว่าพระองค์เองได้เห็นคุณของธรรมสองประการ 1. นึ่งความไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลายใช่ั้ ไม่มีพอใจละเรื่องกุศลธรรมเนี่ยทำไปสําเร็จแค่นี้ต้องไปต่อต้องทําเพิ่มมากขึ้นตรงข้ามกับความสันโดษในวัตถุบำรุงมูลเหือความสุขพรงบอกให้สันโดษในวัตถุบํารุงความเหือความสุขส่วนตัวแต่ไม่ให้สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลายการแสวงหาสติปัญญาความรู้ความกต้งใจต้องการเข้าถึงสัจธรรมความจริงพัฒนาปัญญาของตนเองสร้างสารร์ชีวิตที่ดีงามทําประโยชน์สุ่แก่สังคมวันนี้ ต้องทำกันไปเรื่อยๆนะหยุดไม่ได้นี่แหละคือความไม่สันโดษในกุศลธรรมเป็นคู่กันถ้าใครจับหลักนี้ได้ก็เอาความสันโดษในวัตถุบำเรอความสุขส่วนตัวมาเป็นตัวเกื้อหนุนให้ไม่สันโดษในกุศลธรรมมันก็เข้าคู่กันไปก็มีความเพียรพยายามมากร้อมกันนี้เราก็จะได้บำเพ็ญความไม่ประมาทกัด้วยแ้ตอนนี้ก็จะได้หเห็นแล้วว่า หลักความจริงของธรรมชาติคือความเป็นอนิจจังนั้นพระพุทธเจ้าตรัสมาประสานบรรจุกับความไม่ประมาทในพุทธโอวาทเป็นปัจฉิมวาจาว่าพะยะธรรมมาสังขาราอัปมาเทนะสัมปะเทธาเพราะว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาอันนี้อ น, นิจจังและเสร็จแล้วพระองค์ก็ตรัสบอกเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมอันนี้ความไม่ประมาทพอเราไม่ประมาทเราก็สามารถพลิกอ น, นิจจังให้มาเป็นประโยชน์กก่ชีวิตทันที นั่นจึงบอกว่าสังคมของเราไม่จําเป็นต้องเสื่อมพระองค์งตรัสไปแล้วบอกว่าถ้าเราไม่ประมาทเราก็สามาร ถ, าา ร, ถรักษาความเจริญไได้แต่ความไม่ประมาทที่แท้นั้นคืออะไรก็คือการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ไม่ขาดสติท่านแปลว่าอย่างนั้นเลยความไม่ประมาทคือการไม่อยู่ปราศจากสติหรืออยู่ไม่ปราศจากสติไม่ขาดสติใช้สติตื่นตัวรู้ทัน ตรวจตาทุกอย่างแล้วก็พอสติมาปัญญาก็ทํางานต่อก็ส่งต่อให้ปัญญาทํางานปัญญาทํางานอะไรก็ไปศึกษาเหตุปัจจัยนั่นเองก็เอาเหตุปัจจัยในกฎอ น, นิจจังในกฎธรรมชาติมาใช้ไปโะยชะน์ก็กลายไปไปตามเหตุปัจจัยให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่เป็นอนิจจังในทางที่พึงปรารถนาแล้วเกิดเป็นความเจริญขึ้นมาอ น, นิจจังก็เลยกลายเป็นดีไปอ น, นิจจังที่มันเป็นกฎธรรมชาติเป็นกลางๆไม่ดีไม่ชั่ว ใครจะไปบอกอา น, นิจังชั่วนะไม่มีหลักธรรมในพุทธศาสนาไม่เคยสอนบางคนไม่เข้าใจว่าอา น, นิจังไม่ดีอา น, นิจังเป็นกฎธรรมชาติกฎธรรมชาติมันจะไปดีไปชั่วอะไรใช่ไหมล่ะมันเป็นของกลางๆดีชั่วไม่ดีไม่ชั่วเป็นกลางๆมันมาดีมาชั่วที่มนุษย์นี่นะฮะล้วเราก็จัดผันมันซะรู้จักใช้ประโยชน์เราก็ได้ประโยชน์จากอา น, นิจังอา น, นิจังก็กลายเป็นดีสําหรับเรา อาจารย์จางก็สองตอนเดินสติไม่ประมาทปัญญาพิจรารณารู้เหตุปัจจัยแล้วก็รู้เท่าทันแล้วถ้าทําอย่างนี้จะได้สองตอนก็คือหนึ่งว่าด้วยความรู้เท่าทันนั้นนะเราก็ไม่ทุกร้อนมากในเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงเหตุปัจจัยมีเท่าไหนเราพิจรารณาอ๋อมันเป็นไปนได้แค่นี้เราทําได้แค่นี้ตามเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยส่วนไหนทําได้เราทํา เราก็ใช้ประโยชน์จากอ น, นิจจังได้ด้วยพร้อมกันนั้นเราก็ไม่ทุกร้อนเกินไปเพราะความเปลีป่ยนแปลงตามกธรรมชาติอันนี้นาะมายกมาให้โยงฟังในเรื่องของความไม่ประมาทแตนี้ก็ต่อไปก็เรื่องความไม่ประมาทนี้ก็ถือว่าโดยหลักการใหญ่ๆก็คิดว่าพอสมควรแต่ก็อยากจะพูดโยงไปหาข้อย่อยๆอีกต่างๆ ที่อาตมาพูดมาส่วนหนึ่งก็เห็นว่าความไม่ประมาทนี้ไปโยงกับเรื่องความพอดีที่เป็นทางสายกลางเขาพูดไปวันก่อนแล้วราะว่าเอ๊ะมันโยงกันนะเรื่องความไม่ประมาทกับความพอดีหรือมัชฌิมาปฏิปทาก็ตัวความไม่ประมาทนี่แหละมันจะมาปรับให้พอดีอยู่เสมอถ้าเราประมาทสักอย่างมันก็ไม่มีทางพอดีการที่มีชีวิตสุดโต่งไปเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งก็เพราะอะไรเพราะปล่อยตัวละเลยไม่มีสติไม่ตรวจตราไม่ทันต่อเหตุการณ์ แล้วก็เลยทำให้เกิดการเอียงขึ้นมาอย่างเรื่องของอินเดียกับฝรั่งนี่ก็เอามาใช้ในเรื่องการปรับให้พอดีได้ความไม่ประมาทได้ว่าเออปรับใจให้มันสบายมีความสุขได้แต่ปล่อยตัวละเลยกลายไปว่าสบายใจแล้วก็เลยไม่เอาเรื่องเอาลาวไม่กตีริล้นอันนี้แสดงว่ามันไม่พอดีใช่เลยทีนี้ความไม่ประมาทก็มาปรับได้สิพอเราไม่ประมาทซะแล้วเราปรับใจสบายได้แต่ว่าปัญหาเราไม่ทิ้ง เขาเรียกว่าข้างนอกแก้ไขข้างในเป็นอิสระคือคนที่ปฏิบัติธรรมนี่ปัญหาข้างนอกไม่ทิ้งนั่นเลยพอเป็นแต่ว่ากันปัญหาไม่ให้เข้ามาเป็นทุกข์ข้างในไอ้เจ้าปัญหาข้างนอกก็เป็นปัญหาข้างนอกไปไม่เข้ามาเป็นทุกข์ข้างในใจกันตัวปัญหากันตัวทุกข์ไว้ข้างนอกทำใจตัวให้เป็นอิสระได้เสร็จแล้วพอใจเป็นอิสระไม่หยุดแค่นั้น ออกไปจัดการแก้ไขปัญหาข้างนอกตามเหตุปัจจัยเราก็ไปศึกษาเหตุปัจจัยแก้ไขปัญหาการแก้ไขปัญหาก็ได้ผลด้วยเพราะฉะนั้นความไม่ประมาทก็เป็นตัวปรับให้เกิดความพอดีนีถ้าอินเดียปรับซะหน่อยทําใจให้สบายมีความสุขได้เออก็ดีและส่วนนี้แต่ว่าสบายแล้วอย่าไปปล่อยปัญหาข้างนอกทิ้งไว้เดี๋ยวไปละเลยทอดทิ้งผัดเพี้ยนอยู่ไม่ได้ เมีสติและไม่ยอมปล่อยไม่ยอมผัดเพลียนก็ไปจับจัดการแก้ไขปัญหาข้างนอกความอยากจนความไม่เป็นระเบียบอันนี้ไม่ปล่อยละต้องจัดการให้หมดมันก็เกิดความพอดีนี้ของฝรั่งก็เหมือนการสุดตรงไปเอาความไม่ประมาทมาปรับซะก็พอดีนะก็คือเอาความไม่ประมาทที่แท้เลิกความไม่ประมาทเทียมที่เอาระบบกิเลสระบบทุกข์ภัยประดิษฐ์เอามาบีบคั้นคนไม่เอา เ, เอาความไม่ประมาทที่แท้ นสังคมที่ดีสังคมไทยถ้าหากว่าถ้าหากว่าเราจะสร้างสรรค์ความเจริญเราน่าจะทําเป็นแบบอย่างได้ในฐานะเป็นพุทธสาสนาเราทําไงจะสร้างความเจริญที่มันดีมันพอดีได้มันน่าจะเป็นสังคมตัวอย่างได้สักสังคมนึ่ไม่เห็นมีสังคมไหนพอดีสักสังคมนึ่มันเอียงไปทางโน้นบ้างเอียงไปทางนี้บ้างนี่แหละอาตมาก็เลยอยากให้โยมได้มองเห็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ที่เป็นระบบความสัมพันธ์ อาตมาได้ยกตัวอย่างเรื่องพรหมวิหารเป็นระบบของดุนยาภาพเนี่ยเป็นเรื่องของความพอดีเป็นมัชชิ ม, มาก็ขอโทนอีกทีบอกการรักษาความเป็นมัชชิ ม, มาหนึ่งต้องมีฐานจากปัญญารู้เข้าใจเช่นกินเพื่ออะไรรู้ความมุ่งหมายการกินก็ปัญญาที่รู้ความมุ่งหมายการกินมาปรับทําให้เกิดการกินพอดีเป็นมัชชิ ม, มานี่ก็เรื่องง่ายๆแล้วก็ระบบดุนยาภาพแห่งองค์รวมที่ว่า ทำทั้งหลายนั้นพระพุทธเจา้าจัดไว้เป็นชุดๆปฏิบัติให้ครบชุดนะไม่ใช่ปฏิบัติบกบกข้อง ข, องของ้อันนี้ทําอันนั้นไม่ทํามีตตาเมตตากรุณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลดีความสัมพันธ์กับตัวธรรมะอุเบกขาไม่เอาไปทิ้งส น, นิทหรือเอาแต่อุเบกขาเอาแต่ธรรมะไว้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไม่เอาก็เอียงสุดไปอีกทางเลยไม่พอดีสักทีก็ปรับให้ได้กลมวิหารครบสี่ก็เกิดดุญยภาพ แล้วก็ความเป็นเหตุปัจจัยกันที่ว่าธรรมะมันประกอบกันไอตัวนี้ต้องไปประกอบกับตัวโน้นเช่นศรัทธากับปัญญานี่ก็เป็นความพอดีชนิดหนึ่งศรัทธานั้นเป็นตัวกุศลธรรมนั่นเลยบอกอภิธรรมก็รับรองไว้ศรัทธาสติฮีรโอด ต, ตะปะเป็นต้นนี่เป็นกุศลธรรมเป็นโสพนเจตสิกเป็นโสพณเจตสิกเป็นเจตสิกที่ดีโดยตัวเขาเมันเองแต่ว่าเวลาเอาไปประกอบใช้นี่ ถ้าไปประกอบใช้ผิดเกิดโทษใช่ไหมเรื่องนี้อันั้นเวลาประกอบใช้จะให้เกิดมัธิมาทางสายกลางเราต้องดูตัวประกอบว่าธรรมะตัวนี้ไปประกอบกับธรรมะตัวไหนถ้าไปประกอบผิดตั ว, อ ย, ตาายตวอย่างาที่อาตาายยกัวออ่่งีทจารย์ดรโดมพูดเนี่ยที่ว่าอย่างเหมือนกระถางวิทยาศาสตร์ที่ว่าเมื่อวาน H2O เอาไฮโดรเจนสองไปบวกตัวออกซิเจนหนึ่งเกิดเป็นน้ําเป็นประโยชน์แต่ว่าเอา คาร์บอนหนึ่งแล้วออกซิเจน2กลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เป็นพิษเลยตอนเนี้ยออกซิเจนเหมือนกันแต่ไปประกอบกับธาตุคนลยาเกิดดีเกิดเสียได้องค์ธรรมก็คล้ายๆทํานองนั้นแหละองค์ธรรมนี้แต่จะดีแต่ไปประกอบกับองค์ธรรม อ, อ, อื่นที่มันเสียอาจจะเกิดผลร้ายก็ได้แม้แต่องค์ธรรมเดียวกันนั้นดีเป็นปัจจัยแก่องค์ธรรมไม้ดีหรือว่ากุศลเป็นปัจจัยแก่อกุศล อันนี้ท่านยกตัวอย่างไว้ในคัมภีรแม้แต่พิธรใร น, นเรื่องขอกุศลเป็นปัจจัยแกอกุศลก็ได้กุศลเป็นปัจจัยแกอกุศลก็ได้เช่นคนมีศรัทธาทําความดีทําบุญทำกุศลเกิดความภูมิใจลําพองใจตัวเองว่าตัวได้ปฏิบัติได้บําเพ็ญธรรมได้ก้าวหน้าในธรรมะเกิดความสันโดษพอใจเกียรติคลานขึ้นมาเฉ่ยชาประมาทเป็นอกุศลเรียกว่ากุศลเป็นปัจจัยแก่อกุศล ถ้าเกิดลำพองใจว่าเรานี่เก่งกว่าเหนือกับคนอื่นได้ทําบุญมากก็เกิดเป็นมารนะกลายเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่กุศลนี่มีเป็นต้นเพราะนั้นเรื่องธรรมะนี่พอดีนี่มันต้องมองระบบความสัมพันธ์ความเป็นเหตุปัจจัยต่อกันการมาเป็นตัวประกอบร่วมนี้การเป็นตัวประกอบร่วมก็อย่างศรัทธาที่ว่าหมดสิ้นศรัทธาโดยตัวมันเองเป็นกุศลแต่ไปประกอบผิดไปประกอบกออโมหะเข้าไปน ก็กลายเป็นความง ม, มงาย น, นะแล้วถ้าเกิดมีวิริยะขึ้นมาอาจจะเอาความเชื่อถือรัฐที่ศาสนาตัวไปบีบคันเบียดเบียนคนอื่นก็ได้ใช่ไหมกลายเป็นเกิดโทสะรุนแรงไปเลยรัฐที่ศาสนาต่างๆถึงเป็นเหตุให้คนฆ่าฟันเบียดเบียนทำสงครามกันในพุทธศาสนาบอกว่าศรัทธามาต้องเอาปัญญาประกอบทันทีเลยตัวประกอบร่วมต้องมาศรัทธามาปัญญาประกอบพอศรัทธามาปัญญาประกอบก็ทําให้ศรัทธานั้นตั้งอยู่บนฐานมาเหตุผล มีวิจารณญาณแล้วก็ศรัทธานั้นต้องเป็นไปเพื่อปัญญาปัญญาไม่มีศรัทธาช่วยกลายเป็นคนจับจดน่ยอันหนึ่งก็จะเอาอันนี้ก็จะเอาอรู้อันนี้อันนี้ก็พอรู้แล้วไปรู้อันโน้นต่อไม่เอาจริงสักเรื่องพอเอาศรัทธามาประกอบศรัทธามันมันทำให้ใจพุ่งดิ่งทําให้จับเป้าจับจุดแน่ลงไปพอศรัทธาจับให้ปัญญาก็ศึกษาเรื่องนั้นอย่างจริงจังลงลึกเลย แล้วก็พุ่งเป้าทําให้มีกําลังในการศึกษาทําให้เกิดปัญญาจริงๆังศรัทธาก็ทําให้เกิดปัญญานำไปสู่ปัญญาจงกระทั่งศรัทธาหมดหนาทีก็ยกส่งต่อให้ปัญญาในขั้นสุดท้ายอันนี้นี่เรียกว่าตัวองค์ธรรมที่มาประกอบกันเนี่ยสำคัญว่าเยอะแยะไปหมดเพราะนั้นเราจะมองธรรมะโดดๆไม่ได้เนะีเราจะไปบอกว่านี่มันดีแล้วนะนะไม่ได้หรอกบางทีไปประกอบกับตัวผิดเข้าเกิดผลร้ายหนักเข้าไปอีก อันนี้อัตามาก็จะยกอีกคู่หนึ่งที่สําคัญมากเป็นหลักการใหญ่ของพระพุทธศาสนาคู่นี้คือชื่อของพระพุทธศาสนาเลยพระพุทธศาสนานี้ประกอบด้วยองค์หรือส่วนประกอบใหญ่สองส่วนซึ่งมาเป็นชื่อของพระพุทธศาสนาเองปัจจุบันนี้เราเรียกกันว่าพระพุทธศาสนาคําพระพุทธศาสนาเป็นคํานิยมในสมัยหลังชื่อเดิมนั้นคืออะไรให้โยมทาย พระพุทธเจ้าเรียกศาสนาของพระองค์ว่าอะไรเรียกอะไรนะเนเลยธรรมวินัยธรรมวินัยน่ะโยบตอบถูกโยมโยมมีความรู้ดีเข้าใจดีก็โมทนาด้วยเดิมนั้นพระพุทธเจ้าเรียกศาสนานี้ว่าธรรมวินยัยบางครั้งเรียกว่าพรหมจรรย์แต่ว่าเอาตอนนี้เราเอาชื่อว่าธรรมวินยัยแล้วตอนที่จะบรินิพานนั้นก็จัดว่า ธรรมวินัยนี้จะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายเมื่อเราร่วมรับไปอันนี้แหละหลักการใหญ่ของพุทธศาสนาพุทธพจน์นี้มีความสําคัญอย่างยิ่งให้เห็นว่าพุทธศาสนานั้นต้องครบสองอย่างแล้วจึงจะมีดุลยภาพถ้าเอาอย่างเดียวนะอาจจะเสียดุลเรื่องธรรมวินัยนี้ต้องมีดุลยภาพระหว่างกันและมันจะเป็นตัวตรวจสอบกันด้วยทําให้เราเกิดความพอดีถ้ามิฉะนั้นอาจจะเอียงไป ธรรมวินัยนี้เป็นสองก็จริงแต่ว่าเวลามาเป็นศัพ์ชื่อพุทธศาสนาในภาษาบาลีท่านถือเป็นเอกพจน์เรียกว่าธรรมวินโยเป็นหนึ่งสองในความเป็นหนึ่งหรือหนึ่งจากสองนมารวมกันเข้าเหมือนกับชีวิตของเราเนี่ยเกิดจากนามและรูปเนี่ยก็ต้องมีดุญยภาพนามและรูปสองอย่างเวลารวมกันในภาษาบาลีเป็นเอกพจน์ว่านามารูปฟัง ท, ท่านถือเป็นหนึ่งนะเลยก่อยนามรูปฟังรวมเป็นอันเดียวธรรมโมจะวินโยจะรวมกันข้าเป็นธรรมวินโยสองเป็นหนึ่งท่านเลยนี้ธรรมะคืออะไรอันนี้แหละโยมจะต้องมาฟังกันให้ทําความชัดเจนกันหน่อยธรรมะนั้นอย่างที่บอกไปแล้วธรรมะเป็นความจริงมีอยู่ตามธรรมดาของมันพระพุทธเจ้าจะเกิดหรือไม่เกิดมันก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมเลยบอยแต่พระพุทธเจ้า ทรงมีพระปัญญาทรงค้นพบความจริงนั้นแล้วนํามาเปิดเผยแสดงชี้แจงทําให้เข้าใจไายแต่ธรรมะมันก็อยู่อย่างนั้นแหละอันนี้ธรรมะนี่ก็เป็นสิ่งธรรมดาอันนี้การที่จะเอาธรรมะมาทําให้เกิดเป็นประโยชน์แก่มนุษย์นี่มนุษย์นี่มีจํานวนมากอยู่กันเป็นสังคมเอามาทําให้เกิด ประโยชน์แกแต่ละคนต้องให้แต่ละคนเข้าใจให้มีความรู้เข้าใจแต่ละคนละคนไปช้าเสียเวลาทำไงจะให้เกิดประโยชน์แกคนจานวนมากที่อยู่ร่วมกันเป็นสังคมนี้ต้องวางเป็นระบบต้องมีการจัดตั้งแล้วจะได้มีวิธีการที่จะทำให้คนจานวนมากได้ได้เข้าถึงก็เอาความจริงที่มีอยู่ธรรมชาตินั้นมา ใช้ความรู้ในความจริงในธรรมชาตินั้นมาจัดวางระบบขึ้นมาสำหรับมนุษย์การจัดวางระบบแบบแผนจากธรรมะนั้นมาให้เป็นวิธีการปฏิบัติได้ในหมู่มนุษย์อันนี้เรียกว่าเป็นวิ น, นัยและการที่ว่าสามารถเอาความรู้ในสัจธรรมความจริงที่มีอยู่ตามธรรมดา มาจัดวางเป็นระบบสําหรับมนุษย์ได้นี้เป็นความสามารถพิเศษของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่มีนี่ทําไมจึงเป็นสัมมาสัมพุทธะเป็นพระพุทธเจ้าเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันเพราะพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ค้นพบสัจธรรมเหมือนพระพุทธเจ้ารู้เข้าถึงความจริงหมดกิเลสแต่ทําไม่ได้ตอนวางวินยัยเร่หนึ ได้แค่รู้ความจริงเข้าถึงตัวธรรมแต่จัดวางวินัยไม่ได้คือวางระบบแบบแผนขึ้นมาให้ธรรมนั้นกลายเป็นประโยชน์กับสังคมมนุษย์นี่พระปัจเจกพระพุทธเจ้าไม่เป็นที่เป็นพระสมมาสัพพุทธเจ้าได้เพราะว่ามีทั้งสองอย่างหนึ่งมีปัญญาสามารถเข้าถึงสัจธรรมรู้ความจริงที่มีตามธรรมดาสองเอาความรู้ในความจริงนั้นมาจัดวางระบบแบบแผน เริ่มแต่สั่งสอนให้มนุษย์อื่นเข้าใจได้ดังนั้นวินัยนี่เป็นความสามารถส่วนพิเศษของพระสมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้แหละระวางเป็นระเบียบชีวิตระบบสังคมของมนุษย์วินัยก็มีตัวอย่างการจัดวางเกี่ยวกับเรื่องวัตถุปัจจัยสี่เป็นต้นจะกินจะอยู่จะอะไรยังไงจัดสภาพแวดล้อมอย่างไร ให้เกื้อหนุนต่อการที่บุคคลจะพัฒนาตัวเองเข้าถึงธรรมะได้วินัยคือหนึ่งจัดสารเรื่องวัตถุกว้างไปจัดสารสภาพแวดล้อมจัดทําไมเพื่อให้มันเกื้อหนุนต่อการที่คนจะพัฒนาตัวเข้าถึงธรรมะได้ถ้าดําเนินชีวิตตามแบบแผนที่เรียกว่าวินัยที่จัดตั้งวันนี้แล้วสภาพแวดล้อมจะเอื้อต่อการเข้าถึงธรรมะใช่หรือไม่จัดระเบียบสังคม จระบบความเป็นอยู่การอยู่ร่วมกันจะอยู่ร่วมกันยังไงมีสังครรมมีกิจการหมู่คณะเกิดขึ้นมีพระธรรมผิดจะทำยังไงการบริหารการคณะสงฆ์โอวางไปหมดเลยเรพยนพฉะนั้นในวินัยของพระนี่ให้ความสำคัญแก่ปัจจัยสี่เรื่องวัตถุเรื่องเศรษฐกิจเรื่องระบบการบริหารการปกครองเรื่องของระเบียบสังคมทุกอย่างเลย เป็นฐานในการที่จะให้คนเข้าสู่ธรรมะบางคนมองแต่ธรรมะอย่างเดียวเห็นว่าพุทธศาสนาเป็นเรื่องจิตใจไม่เกี่ยวกับสังคมเป็นเรื่องเฉพาะตัวบอกว่าอ๋อถ้าคนแต่ละคนดีแล้วสังคมก็ดีเองนี่ตอบแบบธรรมะถูกต้องไม่ผิดใช่ไหมเรนพรถ้าแต่ละคนดีแล้วสังคมก็ดีเองอันนี้ไม่ผิดแต่เป็นกำปั้นทุกดินเนี่ย ก็ใช่สิถ้าทุกคนดีเมืองสังคมมันก็ดีแต่ปัญหาต่อไปทําไงจะให้แต่ละคนดีนี่ปัญหาของวินัยมาเลปัญหาของวินัยมาเริ่มตอนที่ว่าและทําไงจะให้แต่ละคนดีก็ต้องจัดวางระเบียบระบบแบบแผนสภาพแวดล้อมที่เกื้อกูลขึ้นนะจะได้ตะล่อมช่วยป้องกันคนจากการทําชั่วหรือทําในทางที่ผิดเสียหายและสร้างความเกื้อหนุนเอื้อต่อการทําความดี เพื่อต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างนี้เป็นวินัยนั้นวินัยก็มาช่วยในการที่จะทําให้ทํำยังไงจะให้แต่ละคนไี่กลายเป็นคนดีขึ้นมาเนี่ยเขาจะได้มีเครื่องชักนําเข้าสู่ธรรมะได้ธรรมะนั้นเป็นเรื่องแต่ละบุคคลเช่นเป็นเรื่องของชีวิตแต่ละชีวิตนี้รับผิดชอบทุกคนนี้รับผิดชอบต่อกรรมของตัวเองรับผิดชอบต่อกฎธรรมชาติ ชีวิตของแต่ละคนนี้ต้องขึ้นต่อคติธรรมดาของสังขารเกิดแก่เจ็บตายเราทากรรมดีและผลดีนี้เป็นเรื่องแต่ละคนธรรมะเป็นเรื่องแต่ละบุคคลรับผิดชอบต่อชีวิตของตนเองแต่วินัยนี้ท่านให้รับผิดชอบต่อสังคมเลยพระทำความผิดหนึ่งในแง่ของธรรมะรับผิดชอบต่อกรรมคติตัวทำทากรรมชั่วรับผลชั่วอันนั้นกรรมว่าไปแต่สองรับผิดชอบทางวินัยต่อชุมชนสงฆ์ด้วย สงฆ์จะเอาตัวมาจัดการมาชำระคดีมาตัดสินความผิดมาลงโทษสองส่วนเลยอแล้วเพื่ออะไรเราไว้วิวนัยจัดตั้งเพื่ออะไร <Yeah. S 1> ก็เพื่อจะให้ธรรมะนี้ได้เกิดผลในสังคมมนุษย์ <Yeah. S 1> เปิดช่องวินัยเปิดช่องให้ธรรมะแสดงผลแต่วัดวินัยนั้นจะมีผลจริงก็ต้องตั้งอยู่บนฐานของธรรมะถ้าวินัยไม่ตั้งอยู่บนฐานของธรรมะไม่ชอบธรรม ไม่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ในเหตุปัจจัยวินัยนั้นไม่ถูกต้องไม่ยั่งยืนไม่เป็นจริงไม่มีผลไร้ความหมายนั้นวินัยต้องตั้งอยู่บนฐานของธรรมะต้องตั้งอยู่บนฐานความจริงในเหตุปัจจัยต้องตั้งอยู่บนฐานของความรู้ในกฎธรรมชาติ <Yeah. S 1> ก็เลยวินัยนี้ก็จะต้องมีสองอย่างคือผู้ที่จัดตั้งะจะต้องมีปีชาญาณมียานรู้เข้าใจสัจธรรม ใครรู้ธรรมะรู้ตัวความจริงความจริงของกฎธรรมชาติธรรมดาได้เท่าไหรการวางวินัยจัดเป็นระบบแบบแผนในสังคมมนันก็ยิ่งได้ผลดีเท่านั้นหนึ่งปัญญาสองคุณธรรมเจตนาคือต้องเป็นเจตนาบริสุทธิ์ไม่หวังผลประโยชน์ส่วนตัวไม่เห็นแก่ตัวอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยหนึ่งมีพระปัญญาเข้าถึงสัจธรรมความจริงของธรรมชาติความรู้ อันนี้ก็ทําให้วางกฎระเบียบแบบแผนที่มันสอดคล้องกับตัวธรรมะคือตัวหลักการวินัยก็จะสอดคล้องกับตัวธรรมะสองพระองค์มีพระบริสุทธิ์ที่คุณมีจิตใจที่ประกอบด้วยเมตตากรุณาไม่มีอกุศลธรรมไม่มีเจตนาร้ายไม่ได้หวังผลประโยชน์ส่วนพระองค์ทําเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นเพราะฉะนั้นเจตนาบริสุทธิ์ประกอบด้วยเมตตากรุณาก็ทําให้วางวินัยที่ได้มั่นคงก็จัดตั้ง ระบบคณะสงฆ์ขึ้นมาเป็นสถาบันที่ยั่งยืนที่สุดในโลกฝรั่งยอมรับเลยปัจจุบันบอกว่าสถาบันที่ยั่งยืนที่สุดในโลกคือคณะสงฆ์ในพุทธศาสนายังไม่มีสถาบันองคอ์กรองค์กรอะไรไม่เคยมีเลย ย, ยั่งยืนเท่าคณะสงฆ์ 2,500 กว่าปีและยังอยู่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของวินัยแหละนั้นวินัยนี่จะเป็นตัวสําคัญถ้าเราปฏิบัติ ตามธรรมะนี่ถ้าไม่มีวินัยมาช่วยตึงเนี่ยบางทีผ่านจะเขวเข้าใจเช่นเอี่ยเอออยู่ง่ายๆนะปฏิบัติธรรมนี่อยู่ง่ายๆสบายยังไงก็ได้วินัยบอกยังไงก็ได้ไม่ได้นี่วินัยจะไม่ยอมเด็ดขาดเลยจะให้ยังไงก็ได้ใช่ไหมครับพระวิสูจ์จะต้องปฏิบัติกิดอย่างนั้นอย่างนั้นจะอยู่อย่างสบายบางชันสบายแล้วปรับใจได้วินัยไม่ยอมได้เวินัยไม่เอาด้วยนี่ ราฉะนั้นวินัยนี่เป็นตัวตรึงแล้วทําให้เรารู้ว่าพระเจ้าจะเอาอยัางไงแล้วเป็นตัวมาตรฐานทําให้บอกได้ว่าชีวิตพระริยะคืออย่างไ ร, รอริยะบุคคลไม่ใช่คนที่ว่าไม่ยึดมัน่นถือมั่นไม่เอาอะไรทั้งนั้นเน่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าเธออยู่ง่ายๆอยู่ง่ายๆไม่ใช่มักง่ายนะใช่ไหมหลวงพอ่อพระสงฆ์นี่ มีายจีวรมีจีวรแค่สามผืนนี่อยู่ง่ายแล้วใช่ไหมเรืนบอลเธอสามารถมีความสุขได้กับจีวรแค่สามผืนแต่ว่าเมื่อเธอรับเอาจีวรสามผืนนี้โดยสมมติว่าเป็นของตนแล้วต้องรับผิดชอบวินัยมาเลยนเัเลือนบอลจีวรสามผืนนี่พระจะบอกโอ้ยมันของอ่า น, นิจังทุกขนานับตาเรามายุดมัน่นถือมัน่นปล่อยปละแล้วเลยทิ้งไม่ได้นะเลนบอ พระเจ้าบอกว่าอยู่ปราสจากลายจีวรแม้ราตรีเดียวต้องอบัติปาจิตีเมื่อตกลงกันแล้วว่าเธอเป็นเจ้าของจีวรผืนนี้ต้องรับผิดชอบแม้แต่ราตรีเดียวก็ห่างจากความรับผิดชอบไม่ได้ใช่เนี่อย่างนี้เป็นต้นวินัยจะเต็มไม่ได้ความรับผิดชอบพระต้องรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างต่อชีวิตตนเองต่อสังคมชุมชนของตัวเอง เอาของสงไปใช้น่ถ้าไม่เอาเก็บไว้ที่ต้องอาไปเนี่ยไอ้ตะไลยุมหยิมไปหมดเลยแต่มันส่งผลกลับเพราะว่าพระปฏิบัติธรรมไม่ยึดมั่นถือมั่นจึงไม่มีอะไรต้องทำเพื่อตัวเองจึงทำเพื่อประโยชน์แก่สงได้จึงทำได้ตามวินยัยเพราะว่าเราไม่ยึดมั่นประโยชน์ส่วนตัวเราก็เลยปฏิบัติตามวินัยได้ด้วยความเต็มใจใมักลับมีผลย้อนกลับ ถ้าปฏิบัติธรรมถูกต้องแล้วเนี่ยจะกลายเป็นคนที่สามารถปฏิบัติตามวินัยได้ผลด้วยอันนี้จะเป็นตัวกันกันไว้เลยดุลกันไวนะั่นเลยผ่อวินัยจะกันไว้ไม่ให้ปฏิบัติธรรมเขวมิฉะนั้นแล้วเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเออปฏิบัติธรรมไปแหมเราไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรก็ปล่อยตามเรื่องตามเราอะไรจะเป็นไงก็ช่ังมันไม่เอาเรื่องนี่แหละวินัยกันไปเลยไม่มีทางเป็นไปได้หรอกทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็จะอ้าง อาตมาเคยได้ยินอามาเล่ากแล้วเล่าหลายครั้งและในกรุงเทพนี่เองมีโยมาเล่าให้ฟังที่วัดหนึ่งก็มีพระอายุมากแล้วอายุคงจะสักเจ็ดสิบอะไรแถนนั้นน่ะเขามาเล่าบอกว่าท่านให้ผู้หญิงสาวสาวนวดบอกว่าไม่มีกิเลสแล้วไม่ยึดมั่นถือมัน่นเนี่ยเนี่ยเนี่ยใช่ไหม เนี่ยดีไม่ดีอ้างแบบเนี้เลยพอนก็มายึดมัน่นถือมั่นไม่เป็นไรทําไงก็ไม่มีปัญหาเนี่ยวินัยไม่ให้ใช่ไหมนี่ถ้าเราไม่มีวินัยไว้กันนะพวกที่จะอ้างแบบนี้เยอะเลยใช่ไหมทําไงก็ได้ไม่ยึดมัน่นอะไรแต่วินัยเป็นตัวกันไเสิทธ์เลยไม่มีทางแล้วคติพระอรหันต์เป็นอย่างไรคติพระอรหันต์บอกแล้วว่าพระอรหันต์คือผู้บรรลุ ป, ประโยชน์ตนแล้วมีประโยชน์ตนสมบูรณ์แล้ว ไม่มีอะไรต้องทําเพื่อตัวเองอีกไอ้ตัวที่ว่าไม่มีอะไรต้องทําเพื่อตัวเองอีกนี่มันสําคัญมากและเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ชีวิตของพระอรหันต์ซึ่งมีความสมบูรณ์มีอิสรภาพสมบูรณ์ภายในมีความสุขเต็มอิ่มภายในมีความสุขอยู่กับตัวตลอดเวลาไม่ต้องหาความสุขแล้วเนี่ยด้วยความสมบูรณ์เต็มอิ่มไม่มีอะไรต้องทําเพื่อตัวเองเนี่ยจึงอุทิศพลังชีวิตให้แก่มนุษยชาติได้หมด ทำการเพื่อผู้อื่นทั้งสิ้นเลยต่อจากนั้นพระพุทธเจ้าพระละหันนี่ไม่ต้องทําอะไรเก่งกรับพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์นี่แสนจะเก่งแล้วนะคือยอมสละชีวิตตัวเองเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นได้นะแต่ว่าพระโพธิสัตว์นั้นต้องทําด้วยปณิธานคือต้องตั้งใจต้องมีปณิธานตั้งมั่นไว้อธิษฐานจิตไว้ทําความดีอย่างนั้นอย่างนั้นแต่พระละหันและพระพุทธเจ้านี่ ท่านทำความดีโดยอัตโนมัติเพราะเป็นธรรมดาของท่านเองนี่มันต่างกันตรงเนี้ยพระอรหันต์พระพุทธเจ้าเก่งกับพระโพธิสัตว์ตรงเนี้ยคือทำความดีโดยเป็นธรรมดาของท่านเองเป็นอัตโนมัติเพราะไม่มีอะไรต้องทำเพื่อตัวเองอีกฉะนั้นพระอรหันต์ไม่มีอะไรต้องทำเพื่อตัวเองอีกท่านจะมาให้คนนั้นคนนี้นวดทำไมใช่ไหมลูกนะแล้วไม่มีอะไรต้องทำเพื่อตัวเองท่านจะคำนึงถึงผู้อื่นเท่านั้นความสุขท่านเต็มในตัวแล้วท่านไม่ต้องทำอะไรเพื่อตัวเองท่านจะคำนึงถึงผู้อื่น นันคติพระละหันเนี่ยจึงเป็นสุดยอดที่พระพุทธเจ้าตรัสอยู่เสมอส่งภาษาบอกไปประกาศศาสนานประกาศปรารภในการทั้งสังขยานาอะไรอันเดียวกันพระหุชนะหิตายะพะหูชนะสุขายะโลกาอนุกรรมปายะนี่คือคติชีวิตพระละหันว่าดำรงอยู่ดำเนินชีวิตเป็นไปาจาริกไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลและความสุขแก่ชนจำนวนมากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก อันนี้พระหันจะมีชีวิอยู่เพื่ออันนี้แล้วอีกคติหนึ่งที่พ่วงมาด้วยกันก็คือปัจฉิมาชนตานุกรรมปาแปลว่าเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ชนรุ่นหลังชนผู้จะเกิดตามมาภายหลังหรือบางทีก็ใช้คําว่าเพื่ออนุเคราะห์ชนผู้จะเกิดตามมาภายหลังคือเป็นแบบอย่างพาระหันจะมีคติสําคัญสองอย่างเนี่ยคือหนึ่งประพฤติทุกอย่างเพื่อเป็น แบบอย่างไว้แก่คนที่จะเกิดภายหลังและสองทำเพื่อประโยชน์สุขประชนจํานวนมากเพื่อนุภาพชาวโลกนั้นก็จะมีตัวอย่างเรื่องของพระมหากัสปะพระมหากัสปะนี่ก็อายุมากแก่กว่าพระพุทธเจ้าอีกใช่ไหมล่อยทีนี้พระมหากัสปะเนี่ยท่านถือทุ ด, ดงตลอดชีวิตทุ ด, ดงนั้นไม่ใช่หมายความว่าเที่ยวจาริกไปนะโยมต้องจะเข้าใจผิด ทุดงนะั้นมีทั้ง13ข้อธุดงแปลว่าข้อปฏิบัติขัดเกลากิเลสเช่นว่าใช้จีวรแค่ลายจีวรสผืนไม่ยอมใช้อดิเลกเกินนั้นไม่ใช้หรือว่าบางองค์ถือจีวรจะบางสกุลนีคือเอาผ้าที่เขาทิ้งไปเท่เก็บเอาของเขาทิ้งมาแล้วก็มาต้มมาตัดมาเย็บมายอมไม่ยอมใช้ของเขาถวายบางองค์ถือออกบินฑบาทเป็นประจำไม่รับนิมนต์ บางองค์ถือฉันมือเดียวบางองค์ถืออยู่ป่าตลอดชีวิตพระมหากัสปะถือธุดงหลายข้อนี้ตอนท่านแก่แล้วครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าโอมหากัสปะเนี่ยเธอก็แก่แล้วผ้าบางสกุลเนื้อหยาบเนี่ยมันหนักนะเธอมายอมรับผ้าข้า บ, บดีเขาถวายเธอเรียกผ้าที่ประนีนคือพระพุทธเจ้าเนี่ย ทรงประกาศไว้คือเคยมีคนอเดี๋ยวแทรกนิดหนึ่งเคยมีคนมาชมพระพุทธเจ้าบอกพระองค์เนี่ยเป็นผู้มีชีวิตที่ขัดเกลาอยู่ง่ายอะไรเรียกง่ายพระพุทธเจ้าบอกว่าที่เธอชมเราเนี่ยไม่ถูกเราไม่ใช่เป็นผู้ที่สาวกเคารพยกย่องพระเหตุเหล่านี้ถ้าจะเอาเพราะฉันอาหารน้อยใช้จีวร น, น้อยปัจจัยสี่น้อยอะไรอยู่ขัดเกลาเนี่ยสาวกของเราหลายองค์ หรปฏิบัติเพ่งคัดเท่งงวดกับเราเยอะแต่เรานี่ที่สาวกเขาเคารพบูชาก็เพราะว่าเป็นผู้ที่ได้เป็นผู้คนพบทางและชี้ทางให้แก่ทุกอื่นแล้วพระองค์ตัดเลยว่าในเรื่องชั้นอาหารพระองค์เดี๋ยวก็รับนิมนต์ที่นั่นที่นี่ปลายพระอง์ต้องเกี่ยวข้องกับกษัตริย์พราหมณ์หรือคนชั้นสูงเศรษฐีข้าว ด, ดีใช้จีวรกับางทีก็รับจีวรดีๆมาใช้อะไรต่างๆนี่ พระมหากรสปะนี่ท่านถือธุดงคขวัตทว่าอันนี้พุทธเจ้าชวนพระมหากัสปะก็บอกขอโอกาสพระองค์ท้าองคงก็จะขอปฏิบัติไปตามเดิมพอพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามว่าเธอมีเหตุผลอะไรถึงจะได้ปฏิบัติไปตามเดิมทั้งทั้งที่ว่าอย่างจีวรก็หนักใช้ลำบากผ้าก็เนื้อหยาบไม่สบายท่านก็บอกว่าปัชชิมาชนาตานุกตมัมตา เพื่อจะได้เป็นแบบอย่างกับคนผู้เกิดมาภายหลังนี่แหละพระาหันเนี่ยท่านมาเห็นกับตัวเลยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติวินัยอะไรอะไรท่านจะทําเป็นแบบอย่างเพราะท่านต้องทำตัวให้เป็นแบบอย่างกับผู้อื่นนั้นใครจะมาอ้างว่าจะผิดวินัยอะไรเพราะเป็นพรหันหมดกิเลสอลไรเนี่ยฟังไม่ขึ้นหรอกเรื่อนครั้งหนึ่งนะมีผู้หญิงศรัทธาในพระมหากรสปะมากก็มาช่วยกวาด ในกุติให้พระมหากรสปะท่านมาเจอท่านบอกไปขอขอเชิญไปอย่ามาทาให้เขาก็บอกว่าเนี่ยก็มาช่วยท่านเพราะเรื่มสายศรัทธาแล้วบอกว่ามันจะเป็นที่ติดฉินนินทาไม่ดีไม่เป็นแบบอย่างนั้นท่านก็บอกว่าท่านต้องทำเป็นแบบอย่างอันนี้เป็นต้นนี้ก็ธรรมายกมาเป็นตัวอย่างให้นี่ก็คือคติของพระราหันในอดีตที่ทำมาพระมหากรสปะก็เป็นอย่างเนี้ย ธุดงนะั่นเป็นข้อปฏิบัติขัดเกลากิเลสอ้าวก็พระหากรสปะหมดกิเลสแล้วจะไปขัดเกลากิเลสอะไรเนกะันท่านไม่จําเป็นจะต้องไปถือทุดงแต่ที่ท่านถือนั้นเพราะว่าท่านทําเพื่อเป็นแบบอย่างกระชนรุ่นหลังใช่มลูกอันนี้ก็เป็นคติพระอรหันต์และความมายุตมัน่นถือมั่นอะไรต่างๆเนี่ยเราดูจากเรื่องวินัยเราจะได้คติเยอะอย่างที่ว่ามายุตมัน่นถือมัน่นถ้าเรา เอียงไปแง่เดียวเนี่ยเราอาจจะเข้าใจธรรมะผิดด้วยธรรมะที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นนั้นต้องเกิดจากปัญญาเห็นความจริงเป็นสัจธรรมะะและเป็นไปเองโดยอัตโนมัติถ้าสำหรับผุ้ตุชนความไม่ยึดมั่นถือมั่นนั้นมนันเป็นเครื่องฝึกตนเท่านั้นแล้วต้องระวังมากความไม่ยึดมั่นของผูุ้โชนที่อะมาปฏิบัตินั้นเพราะว่าเรารับมาด้วยสัญญาไม่ใช่ปัญญาคือเราฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านว่าเออ สิ่งทั้งหลายนี่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจะไปยึดมั่นถือมั่นไม่ได้นะมันไม่เป็นไปตามนั้นเราไปยึดมั่นถือมั่นแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปเราก็เกิดความทุกข์ดิบขั้นจิตใจมันไม่เป็นไปตามที่ต้องการหรอกอะไรเงี้ยเราก็เลื่อมใสเราก็เกิดชอบใจก็นํามาปฏิบัติอย่างนี้ท่าเรียกว่าเดืได้ปัญญานิดหน่อยแต่ตัวสําคัญที่รับมาคือสัญญาเราก็เอารับมาปฏิบัติต่อไปนี้เราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรนะ กลับไปบ้านก็เออนี่ก็ไม่ใช่ลูกของเรานี่ก็ไม่ใช่พัญญาของเรานี่ก็ไม่ใช่เงินของเราใช่ไหเลินพบ้านก็ไม่ใช่บ้านของเราไ ม, ม่ยึดมั<ๆ>่นถือมั่นก็เลย<ๆ>ไม่เอาเรื่องเอาเราวเลยเ<ๆ>นี่ยนี่เกิดความตะหนาได้ยังไงบ้าท<ๆ><ๆ>ีนี้พอไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่เอาเรื่องเอาเราวแล้วเกิอดอะไรขึ้นมาท่านเรียกว่านี่คือความยึดมั่นในความไม่ยึดมั่นเพราะไอ้ความไม่ยึดมั่นตัวนี้ไม่ใช่ความยึดมั่นที่แท้ มันเป็นความยึดมั่นที่เกิดจากสัญญาแล้วตัวก็เอาไอ้ตัวความไม่ยึดมั่นเนี่ยมาจับมายึดเข้าไว้อีกทีหนึ่งเลยเป็นความยึดมั่นในความไม่ยึดมั่นโยอมระวังให้ดีเถะถ้าเป็นปุตุชนจะทําได้แค่นี้ความไม่ยึดมั่นที่แท้เนะีเกิดจากปัญญาเมื่อเราเห็นสิ่งทั้งหลายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเรารู้ทันสัจธรรมแล้วความเป็นไปของมันไม่เข้ามาบีบคั้นจิตใจของเราจิตใจของเราเป็นอิสระ ต่อจากนั้นเราจะปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นตามเหตุตามผลด้วยปัญญาตอนนี้แหละสาคัญว่าเรามีทรัพย์ก็ปฏิบัติต่อทรัพย์ให้ถูกต้องตามเหตุผลว่าทรัพย์มีเพื่ออะไรไม่ยึดมั่นถือมั่นให้เป็ น, ใ ห, ปนหให้เป็นเหตุบีบคั้นจิตใจให้มีความทุกข์แต่ใช้ให้มันสมคุณค่าให้เป็นประโยชน์ตามความหมายของมันทรัพย์ก็เกิดประโยชน์แท้จริงเหมือนพระเจ้าอาโศกใช่มหมลูกบวชพระเจ้าอาโศกก็ปฏิบัติในคติเนี่ยอทรัพย์นี่เราไปยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ แล้วมันไม่ใช่ความหมายที่แท้จริงของชีวิตมันไม่ใช่ตัวให้ความสุขกับชีวิตหรอกเราเคยเป็นหลงเอาทรัพย์มาเป็นเครื่องบ ำ, บำเรอความยิ่งใหญ่ของเราความสุขสบายของเราพระเจ้าโศกบ่กไม่เอาแล้วตอบแบนี้แต่ก็ไม่ได้ทิ้งทรัพย์นั้นก็ปฏิบัติตามทรัพนั้นจะเหตุผลก็พลิกความหมายของทรัพย์ว่าทรัพย์นั้นไม่ใช่มีความหมายที่จะทําให้เราเป็นสุขหลอกเพราะเรามีความสุขได้เองแล้วเราพัฒนาจิตใจเราพัฒนามี ปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าเรามีความสุขที่ปนี่กว่าและทรัพย์สินสมบัติเหล่านี้อำนาจไม่ใช่เป็นสิ่งจำเป็นสตลอดชีวิตของเราแต่ว่าถ้าเราใช้ให้เป็นประโยชน์มันก็เป็นอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ประโยชน์สุขทําความดีกับสังคมนั้นพระเจ้าอาโศกมหาราชก็เลยให้ความหมายใหม่แก่ทรัพย์บอกว่ายศความยิ่งใหญ่ของพระองค์นี้จะไม่มีความหมายถ้าไม่ช่วยให้ประชาชนปฏิบัติธรรม นีจ่ารึไ้เลยในศิลาจล่ารึพระเจ้าโศกแล้วพระองค์ก็ใช้ทรัพย์และอำนาจนั้นสร้างสารร์ประโยชน์สู่กับประชาชนทำความดีเป็นการใหญ่เลยใช่ไมลุงท่านี่เลยถ้าพระเจ้าโศกไม่มีทรัพย์ไม่มีอำนาจพระเจ้าโศกทำความดีอย่างนี้ไม่สำเร็จแต่ทรัพย์และอำนาจเมื่อใช้เป็นใช้ถูกก็กลายเป็นอุปกรณ์สร้างสรรประโยชน์สู่และความดีนานมันเป็นประโยชน์มหาศาลแม้แต่ทำให้พุทธศาสนาไปถึงเราในประเทศไทยด้วย นันนี้แหละก็คือคติต่างๆก็ไปอ่านว่าวันนี้ก็พูดเรื่องทำอวิัยด้วยผนวกเข้ามาว่าอันนี้เป็นคู่กันวิไนนั้นจะช่วยให้เราเนี่ยปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วภาวิไนจะทำให้เราเห็นว่าพุทธศาสนานี้ให้ความสำคัญแก่วัตถุให้ความสำคัญแก่ปัจจัยสี่ให้ความสำคัญแก่เศรษฐกิจให้ความสำคัญแก่สังคมอะไรต่างๆ โดยมีความหมายโยงไปกับธรรมะนะไม่ใช่มีความหมายสําคัญโดยตัวมันเองเดี๋ยวโยงจะเข้าใจผิดอีกเดี๋ยวจะบอกว่าเศรษฐกิจสําคัญแล้วก็หยุดแค่นั้นเศรษฐกิจวัตถุปัจจัยสี่สังคมสําคัญโดยที่ว่าเมื่อทําให้ถูกต้องมันเป็นตัวเอื้อต่อธรรมะอันนี้สิตัวสําคัญตอนโยงนี่แหละสําคัญถ้าไม่โยงแล้วพลาดอีกและก็แยกเดี่ยววินัยไปวินยัยนะี่เหมือนอย่างคนที่บอกว่าวัตถุสําคัญอะไรอะไรก็ไปหยุดอยู่แค่นั้นก็ผิดอีก ในวัตถุสําคัญจัดสรรมันให้ดีนะเพราะมันเป็นฐานที่จะทําให้เราเก้าวไปสู่ธรรมะได้จัดสรรวัตถุจัดสรรปัจจัยสี่เศรษฐ ก, กิจสิ่งแวดล้อมสังคมให้เรียบร้อยเพื่อกูลต่อกา ร, ก, ารก้าวไปนในธรรมะเพื่อกูลต่อการพัฒนาตนของแต่ละบุคคลนี่คือธรรมะมาแล้วตัวรองธรรมะวินัยก็คู่กันถ้าเราสามารถใช้หลักการนี้ถูกต้อง เราก็จะมีความเจริญงอกงามในศา ส, สนาธรรมะวินัยศา ส, สนาจะเกิดประโยชน์แต่เราอย่างแท้จริงนั้นโยมจะต้องจับหลักให้ครบมองดูพุทธศาสนาอย่ายให้ว้าวแหวง่เวลานี้น่ากลัวมากเรื่องมองดูศา ส, สนาเพราะวแหวงแหวงเนี่ยเนีแล้วเลยไม่เกิดมัชชิมามัชชิมาความพอ ด, ดีความเป็นทางสายกลางเนี่ยอาตมาก็ได้แสดงมาหลายแง่หลายมุมยันเลย แล้วก็มาโยงกับความไม่ประมาทที่ความไม่ประมาทจะเป็นตัวปรับให้มัชฌิมาดำรงอยู่ได้ก็เลยเรื่องธรรมะที่พระพุทธเจ้าจัดในวันแสดงปฐมเทศนาที่ป่าอิสิปตนมุนคือไายวันได้แก่มัชฌิมาปฏิปทาก็มาบรรจบ ก, กับเรื่องความไม่ประมาทที่จัดไว้เป็นปัจฉิมวาจาในวันเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานที่กุงศราแล้วก็ เอามาโยงกับธรรมะที่พงศ์จัดทั่วไปที่สาวกที่นี้ก็เข้ากันหมดธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นทุกอย่างถ้าเราจับจุดถูกแล้วมันเป็นระบบความสัมพันธ์เนื่องโยงถึงกันหมดทุกอย่างจับที่ไหนก็ถึงที่อื่นด้วยหมดฉะนั้นถ้าโยงจับหลักการนี้ได้แล้วไม่ว่าใครทำใครพูดธรรมะข้อไหนมาโยมจับได้หมดเลยโยงได้หมด อันนี้อยู่ในจุดนั่นอยู่ในระดับนี้อะไรต่างๆสบายเลยไม่มีปัญหาเนีเราก็จะสบายใจอย่างพระพุทธเจ้านี่มีวิธีสรุปธรรมะเยอะเลยวิธีสรุปธรรมะของพระองค์ยังสรุปได้อริยสัจสี่แล้วพระองค์ยังโยงอริยสัจสี่ไปสู่ธรรมะหมดทุกสิ่งทุกประการแต่จะขอพูดให้ฟังอีกนิดหนึ่งเราเรยนพอเวลายังมีหน่อยอันนี้เป็นการยกตัวอย่างวิธีสรุปธรรมะของพระพุทธเจ้า ทีพระองค์สรุปไว้หลายในสรุปเป็นสองก็ได้สรุปเป็นสามก็ได้สรุปเป็นสีปปน่ก็ได้แล้วเราไม่ต้องมาเถียงกันบางคนไปยึดอันเดียวแล้วก็ทีนี้เถียงกับคนอื่นยุ่งอยู่นั่นแหละทั้งๆ ท, ท, ที่ว่าธรรมะนํามีวิธีการหลายอย่างในการจำแนกแต่ว่ามันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพระพุทธเจ้าจัดธรรมะบอกทั้งหมดรวมอยู่ในอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมาแล้วพระองค์ก็โยงไปหาหลักอีกชุดหนึ่งเลยเพื่อจะประมวลธรรมทั้งปวงให้เข้าเป็นชุดเดียวกัน ว่าทุกขังอริยสัจจังปริญญาหยังเนี่ยมีปริญญาหยังเข้ามาแล้วนี่คือหลักที่เรียกว่ากิจในอริยสัจสี่ถ้าใครจะปฏิบัติต่ออริยสัจสี่ให้ถูกต้องไม่รู้หลักกิจในอริยสัจแล้วพลาดเลยเลยพออริยสัจสี่จะไปรู้แต่อริยสัจไม่ได้นะต้องรู้กิจในอริยสัจด้วยนี่เสียดุลนึงแหละรู้แต่อริยสัจไม่รู้กิจในอริยสัจถ้าปฏิบัติหน้าที่ต่ออริยสัจผิดไปเลยเลยบอดพลาดเลย เพราะว่าอริยสัจสแต่และข้อมันมีหน้าที่ต่อมันหน้าที่ต่อทุกขมีแล้วจัดไว้ในธรรมจักรก็จะนั่งสวดนี่แหละเราสวดกันอยู่เรื่อยทุกครั้งอริยสัจจังปริน ญ, ญาญังทุกขาริยสัจนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องปริญญามาแล้วหน้าที่ต่อทุกปริญญาแปลว่ากําหนดรู้รู้จักนีทุกเราไม่มีหน้าที่เป็นทุกเรามีหน้าที่รู้ทุกนะเลยพอหน้าที่รู้ทันทุก การรู้จักทุกข์กับเป็นทุกข์นี่ไม่ใช่อย่างเดียวกันถ้าใครปฏิบัติหน้าที่สอนยศศักดิ์ผิดเอาทุกข์มาเป็นทุกข์จบเลยเลยพอผิดแล้ น, ะพ น, นพะพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้ใครเป็นทุกข์เพราะพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้ใครเป็นทุกข์ใน้อยเลยพอแต่สอนให้รู้ทันทุกข์หลนะักกิจยศศักดิ์ข้อที่หนึ่งแค่นี้ก็พลาดหลายหลายคนนะต้องรู้ว่าทุกข์นี้ปริญญาอย่างต้องปริญญารู้ทันมันสอง ทุกขสมุทโยอริยสัจจังปหาตับพังทุกขะสมุทัยอริยสัจเป็นสิ่งที่พึงปหานะละนีก็คือปหานะสองแลนะหสทุกขานิโรธโทริยสัจจังสัจจิกาตับพังทุกขานิโรธอริยสัจเป็นสิ่งที่ต้องสัจชิกิริยาทําให้แจ้งทําให้เป็นจริงบรรลุถึงอันนี้สามสัจชิกิริยามาแล้ว แล้วก็4ทุกขานิโรธคาไม่มีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตับพังทุกขานิโรธข้าม่มีอริยสัจเป็นสิ่งที่ถึงเจริญถึงปฏิบัติลงมือทําภาเวตับพังคือลงมือทําข้อปฏิบัติอยู่ที่ข้อที่4เรียกว่าภาวนาตกรงว่าหน้าที่อริยสัจข้อที่1คือทุกได้แก่ปริญญาหน้าที่อริยสัจข้อ2สมุทยัยคือปะหานะหน้าที่อริยสัจข้อที่ส นิโรธคือสัจิกิริยาการบรรลุหรือทําให้เป็นจริงทําให้แจ้งแล้วก็สี่หน้าที่ต่อมักก็คือภาวนาคือการลงมือปฏิบัติเราต้องปฏิบัติอันเดียวอันสุดท้ายคื <c oughs> อข้อสี่มักนอกนั้นนั้นเราปฏิบัติไปตามข้อสี่แล้วมันถึงเองหมดแต่ว่าเรารู้ไว้หน้าที่ตันั้นมันมีอะไรนีพระพุทธเจ้าก็เอาหลักสี่นี้ไปจัดธรรมะอีกปริญญาก็ไปจัดธรรมะทุกอย่างเป็น ธรรมะพวกหนึ่งเป็นปริญยยธรรมธรรมะที่พึงปริญญาคือต้องรู้จักเช่นขันห้าอย่างนี้เป็นเรืพวกว่าไตรลักษ์อย่างนี้เป็นพวกปริญยยธรรมธรรมะที่พึงกําหนดรู้รู้จักรู้เท่าทันไตรลักษ์นี่เรามีหน้าที่รู้จักขันห้ามีหน้าที่รู้จักอายตนะมีหน้าที่รู้จักธาตุสิแปมีหน้าที่รู้จักพวกนี้เป็นปริญยยธรรมหมดสองก็พวกปหาตัปปธรรม มหาตัปธรรมนี่มีหน้าที่ที่เราจะต้องละธรรมะประเภทนี้เยอะเหมือนกันเช่นว่าอะไรเช่นอกุศลโมลโลพาตุสสะโมหะปกตัิหามาณทิฏฐิเยอะแยะไปหมดนีพวกนี้พวกบาปพวกอกุศลอะไรต่างๆทั้งหลายทั้งปวงมากมายแล้วตลอดจนกระทั่งในที่สุดอวิชชานีพวกนี้เป็นปหาตัปธรรแล้วสามธรรมะอีกหบทหนึ่ง สิ่งทั้งหลายจ่ายข้าวกาแฟที่สาคือสัจจิกาตประธรรมธรรมะที่พึงทำให้แจ้งต้องบรรลุถึงพวกนี้เช่นสันติความสงบนะวิสุทธิความบริสุทธิ์ความเป็นอิสระนะความสะอาดพว า, านิพพานพวกนี้เป็นสัจจิกาตประธรรมธรรมะที่พึงทำให้แจ้งแล้วสุดท้ายก็ พาเวตัปป ธ, ธรรมธรรมะที่พึงปฏิบัติศรัทธาก็ดีศีลก็ดนะีหรืออะไรอะไรเยอะแยะปัญญาก็ดนะีหรือว่าสมาธิก็ดีฮิริโอตตะ ป, ปะก็ดีอะไรเยอะแยะไปหมดข้อธรรมต่างๆพวกนี้เป็นภาเวตัปปธรรมพึงเจริญพึงทำเกิดให้มีพึงปฏิบัตินะที่เรารวมกันง่ายๆศีล ส, สมาธิปัญญานี่เป็นภาเวตัปปธรรม หรือมัมีองแตกก็ได้หรือเป็นโพธิปัจกิยธรรมก็ได้โยมจะแยกเป็นยังไงก็ได้เป็น37ประการก็ได้เป็นกีิยางกิยางพวกนี้ก็รวมในภาเวะตับธรรมธรรมะก็มีทั้งหมดอะไรอะไรทั้งหลายบรรดามีก็จัดได้ในชุด4อย่างเนี่ยเป็นปริญญาธรรมพวกหนึง่งเป็นปหาตับธรรมพวกหนึง่งเป็นสัจจิกาตับธรรมพวกหนึ่งเป็นภาวะตับธรรมพวกหนึง่งพวกนี้จัดแล้วมาประสานกับหลักอริยสัจสี่ก็ นำไปสู่เรื่องกิจต่อเรียนสัตว์ปฏิบัติกิจต่อเรียสัตว์ถูกต้องก็เข้าสู่ทางพุทธศาสนาถูกต้องวันนี้เวลานี้ก็10บโมงห้าานาทีแล้วพอสมควรกัเวลาอาตมาก็เลยพูดธรรมะมาให้โยมฟังวันนี้ก็คิดว่าคงจะช่วยให้โยมได้เห็นภาพของพระพุทธศาสนาทางในแง่ของสภาพแวดล้อมในยุคพุทธกาลในสภาพของถิ่นฐานแว่นแพน ที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จไปและโยงมหาธรรมะที่โพงจัดและภาพรวงของพุทธศาสนาที่ว่าเป็นธรรมวินัยแล้วก็ประชุมนงในเรื่องการปฏิบัติด้วยความไม่ประมาโยงไปหามัชฌิมาปฏิปทาแม้รวมเรื่องใส่ศิกขาเป็นต้นก็คิดว่าโยงคงจะได้มีความเข้า อ, อกเข้าใจซึ่งคิดว่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้มีผลในการดําเนินชีวิตในการปฏิบัติธรรมแล้วก็จะมาเป็นธรรมกายในตัวโยง นะธรรมกายที่ไม่มีรูปมีร่างไม่ต้องเห็นแต่เห็นด้วยปัญญานะเห็นธรรมะโยมปฏิบัติไปข้อหนึ่งก็ได้เข้ามาข้อนึงเนี่ยปฏิบัติรู้เข้าไปข้ อ, ขอก็ได้สองธรรมกายก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆธรรมกายนี้เสื่อม บ, บ้างจเจริญบ้างอ้าเดี๋ยวอันนั้นหายไปอันนี้มาใหม่ธรรมกายยุบธรรมกายพองไปมาไปมาธรรมกายนี้ไปถึงเป็นมรคนี่ผ่านเมื่อไหร่ธรรมกายนี้แน่นแฟนมั่นคงก็ขอให้โยมได้เจริญพัฒนาจนกระทั่งได้ประสบธรรมกายที่ เป็นธรรมกายอันมั่นคงที่ยืนยงอยู่กับตัวโยมตลอดไปคือมรรคผลนิพพานก็ขอให้การเดินทางมาในสถานที่ที่เป็นพุทธสถานสำคัญโดยเฉพาะสังเวชินีสถานนี้เป็นเครื่องหรือเป็นปัจจัยทำให้โยมได้จเจริญกุศลธรรมมีศรัทธายิ่งขึ้นไปและได้ปีติสมนัสความปราบรื่มใจจะได้เป็นเครื่องนาโยมไปสู่ ความงอกงามในพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัพพุทธเจ้าก็ขอให้โยมทุกท่านได้มีความเจริญ ง, งอกงามร่มเย็นเป็นสุขในพระธรรมของพระสัมมาสัพพุทธเจ้าโดยทั่วการยิ่งขึ้นไปตลอดกาลนานเทิน